ได้ละเสนอดโดยอาหารที่เป็นริสกีของอลอของเทรหาราเราดีใจกับบิสมิลลาฮิระห์บราะมะวะตัลลาฮลลุวาซา บ, บัตัลอาจุอนิอนชาอัลลอฮฺท่าอินฟะลั้าซูนพี่น้องครับพวกเราอายุเยอะๆแบบนี้อย่าไปละเสนอดเหมือนลูกๆหลานๆเราพี่น้องเพราะลูกหลานเราเนี่ยมันจะทางนําแข็งก่อนเพื่อนเลย ไอ้ของเย็นๆกับคนอายุ 60- 70ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งพี่น้องพอาะเราผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมใช่น้ำแข็งก็กินมาแล้วใช่ไหมใช่ดันั้นอายุเยอะๆอย่างเราผมขอแนะนํานะนี่ด็อร์วิัยาดัาลลัไม่ใช่นบีแต่เขาว่าเขาได้วิจัยออกมาว่าสุขภาพของเราจะดีให้ทานอินทผาลัมกี่กิโลพอคนนึ่งหน่ะพี่น้อม 3เมตรสี่เมตรทำดูเลยละแล้วก็ตามด้วยน้ำ อ, อุ่นนูนแคนี้แหละไปน้องพอแล้วก็เดินไปแบกปันอาบน้ำน้ำมาหรืออาบน้ำสมาธิเตรียมได้เรียบร้อยกัอาบอรอรอคนมาช่วยแล้วรออะไรทั้งหลายมันต้องแบบนี้ครับีปน้องเลยื่อสุขภาพเราจะเข้มแข็งพอนำมาเสร็จ แ, แล้วก็ ม, มาทานอาหารหนักก็อย่าทานเยอะครับไปน้อง ตุ้ยา่เนี่เห็นชัดๆเคยเปน้องบาหวานลดไหลดไขมันลดไหมลดสแ ล, ลนเดอร์ไหมสแ ล, ลนเดอร์แ น, น่นอนเปน้องน้ำหนักก็ลดแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เอาร้อนจะมอบให้ก็คืออาคคีร้นอัค้อนนั้นใจมันต้องนึกนึกอัคคีร้อเยอะๆโอ้โหฉันจะดีใจคำที่สองจะดีใจเมื่อพบพระหัสครบรายนั้นคือว่าพระพักของอัร้สุภะนาวุจาระ ให้พกอรรถในวันเตีย้ยมากอรรถจะต้อนรับคนที่ถือซื้อปดเนี่ยคุณน้องขนาดไหนเราจะแฮซี่มากครับคุณน้องจะนั่นนึกอาเซเราเยอะๆคุณน้ อ, นองตัวรบว่าผมขอแนะนำท่านคุณน้องนะให้กําลังใจท่านคุณน้องว่าเ ร, เรื่องมอตตอนเนี่ยคุน้องครับคุณน้องอย่าทําบาปเลิกเลยนะครับข้อที่2ทําความดีเพิ่มอ่านกครอ่านเพิ่มนะครับนี่คลอรบเพิ่ม Kemudian makluk Allah yang begitu luar biasa. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah akbar, La ilaha illallah, wa ada la sharik la, Lahu mulku, walahu hamdu, Wahai yang beriman, semuanya akan jalan semuanya. เพราะว่าคนที่ถือสินบนสิ่งใดต้องกอัลลอฮ์รับดวอาณตลอดเวลาเลยนะรับดวอาไปนอนแค่นั้นอ่ะเรามนีเรื่องทุกใจหลายเรื่องหนึ่งริสกีน้อยขออย่าอลอให้ริสกีของฉันเพิ่ม น, น้อยพอลูกอีกแลับลูกไม่ไปเอ า, าศาสนาอย่าอลอเปลี่ยนแปลงลูกฉันให้สนใจาศาสนาอ่ะบางทีภรรยามาสนใจาศาสนาสามีอ่ะไม่บวย อย่าเอาบอจะไปทะเลอะการก็ไ ม, ม, ม่มีประโยชน์ใช่ไหมยอย่าเอาบอเปลี่ยนใจสามีจัดให้บุครที่สนใจศาสนาขอก่อนละสิบนไปน้องเป็นช่วงที่ดีที่สุดไปร้องเอาบอเอาบเนี่ยใครสอนนบีสอนไป้องเพราะฉะนั้นตอนละสิบนอย่าไปดูละคร เ, เพลินดีไหม ช่วยพยุงเราไม่หิวน้าไม่ใช่พี่น้องมันก็จะสัตย์ไปหมดเลยพี่น้องถ้าจะดูก็มีทีมมุสลิมีส่ช่องถ้าไม่พอใจช่องไหนก็ิดไปเลยพี่น้องเอาคุรานมาอา่านหนังสืลอลขอดุดหนุต่อรัฐประาสน์พี่น้องกับพี่น้องกับพี่น้องน้ามาตุลาวีเดือนรมารกันหรูปป้ป่ะนามาตุลาวทุกคนนะผมให้กลังใจแบบนี้พี่น้องเอาเฉพาะสุนัตตีไปใช้นะ คนที่นมาตารวีพี่น้องขอให้นม า, ตา ม, า, นนมาตามอิหมาโอพี่น้องให้นมาตามอิหมาก็แสดงว่ามุสลิมานี่ก็ต้องมา น, ม า, ม, าา น, นมาที่บ้านบางคนนมาที่บ้านก็เชิญนมาที่บ้านไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้านมาที่บ้านบรรยากาศมันไม่เหมาะโอถ้านมาที่บ้านในใจไปกูช่วเลยหลานก็วิ่งลูกก็วิ่ง กิ่งชนนุ่นชนนี่เราก็ใจเราผู้ช่วยพี่น้องอ้าวตัดปัญหาก็บ้านจุดใกล้มัสยิดไปก็มาที่มัสยิดเลยพี่น้องทีนี้นมาที่มัสยิดในพี่น้องต้องตามมีมานนะแต่มุ้ซึ่งมาต้องตีหมานอยู่ได้วนะนมาตาบีมานตั้งแต่ละอารดแรกของนมาตารวีนะครับอพิโนงเลือกจะละมาเอาจะละมา20เชิญจะละมา8เชิญ อานามาแต่ตามใลก็่ตามนาบีนะครับนามาเอายี่สิบหรือยี็ก็ตามสครับเราไปเลือกกันก็แล้วกันนะอาละไปรบเราว่านามาแต่เน่ยมันมันมันมันซ้ำดีนะฮแล้วก็นามาแต่กันครับนบีนามาแตเพราะท่านยังอิชชารายงานบอกว่าฉันไม่เห็นนบีนามาเกาินสิบเดือนรอกันไม่ว่าในเดือนระมาดหรือนอกเดื อ, อรนระมาดนบีจะนามาแตรอกาัน บอกว่ามีเต้นอกสามกลายเป็นสิบเรากาอแต่นบียืนนานนาบีอ่านอุเราะ น, นานเจา้าท่า <c oughs> นนบีสูดดูนานสงสัยนบีเสียชีวิตไปหรือเปล่าแต่ทั้งวันนานจริงๆริงเวอัไอเราทัาวันานานก็งไม่ทรมานาหรอกนะี่อเองครับ น, นี่ไงจะนั่งใครที่ยืน นั่งเดินนามาศพร้อมกับอีหมามตั้งแต่เรากะอัดแรกของนามาศแต่เราวิ่งแปดรากาอาัดเมื่อจบแล้วนามาศวิเทสอีกสามรากาอาัดพร้อมกับอิมา น, นะผลบุญเท่ากับเขายืนนามาศตลอดทั้งคืนดีไหมพีน่น้องแต่ถ้าเป็นคนที่นามาศแบบเราแวะไปกินน้ำชาข้างนอกไม่ตามอีหมา น, นะจบ น้ำมา ไ, มได้ผลได้บุญไหมได้แต่ได้ตลอดทั้งคืนไหมได้ไหมไม่ได้ไปเนอะนีไ่ไงพอเราเรียนเรียนสุนทร น, น บ, บีเรียนธรดมยของท่านน บ, บีถ้าไม่ไี้มารเราเพื่อเพื่อนเออท่านเราก็ต้องอดทนละคืนนี้ตั้งใจจะน้ามาตาบีมาทั้งหมดตั้งแต่น้ำมาแต่เราวิจบแล้วน้ามาวิเทสอีสานพี่น้องหวังอะไรหวังจะได้รางวัลเท่ากับยืนน้ามาตลอดทั้งคืน บางคนว่าเอาอยว่าผลลบุญแค่นี้นำมาเสียเราก็อาจถูกแวะมานนั่งกินน้ำชาพอจบแปลงขึ้นไปตามวิเตสอีสาได้ไหมกระดาผลลบุญน่ะจะตลอดตั้งเือได้ไหมไม่ได้ก็เลือกเอาไปนอลเอาลอให้ปัญญาประมาณแล้วอิสลามไม่ได้บังคับใครๆทำความดีด้วยเออขาเรียกว่ายฟนะทั้งไม่ทั้งฉันเกลียงไม่ใช่เอาลอให้ปัญญามาก็คิคดคิดก่อนแต่ก็ไปนอ พี่น้องครับเดือนระมาตอนนอกจากอ่านโราูร์ามจึงคือเราพี่น้องต้องให้อภัยคนเยอะๆให้อภั ย, อ, ภยอะไรไม่ถูกใจดพี่น้องนบีนบอกว่าถ้าเห็นของผิดอะไรนะักให้เตือนอ่าเตือนยับยั้งด้วยด้วยมือนะยับยัง ถ้าไม่มีความสามารถพยายัามด้วยลิ้นพูดแนะนําถ้าความสามารถไม่มีพูดก็ไม่เชื่อต้องขอทุก อ, อใใย่างในระยะพิรุ่งขั้นตอนมีอยู่สีขั้นนะเห็นความชั่วเกิดขึ้นต่อหน้าเราพยายามด้วยอํานาจด้วยมือด้วยความสามารถของเราถ้าที่มีอยู่ไม่ได้ไม่มีความสามารถพูดแนะนําแนะนําก็ไม่เชื่อทําไย นึกในใจจะไม่เอางานนี้งานนี้งานไม่ไ ด, ดีขอดูอาตอลอให้ออกห่างจากงานนี้แล้วขอให้คนนี้เนี่ยเลิกทำความชั่วด้วยไปนอสท่าหนี่ค่หน้าที่ของมุสลิมจะอยู่ตรงไหนคิดแต่เรื่องดีดี ด, ดีดีนะครับเป็นรไปนะครับผู้ที่ถือสินอดนีไปนองต้องบริจาคเยอะๆบริจาคเยอะในเรล่อนั้นไปเทาฟังได้มาทุกปีแค่ลว แต่เราปัจจัยย่ตรงนีไปเนาะการบริจาคก็มีอยู่หลายแบบหนึ่งเลี้ยงอาหารคนละสินบนเลีเ้ยงอาหารคนละสินบนไปเนองน บ, บีสอนอย่างนี้มันฟับปอหรอซอีมันใครที่เลี้ยงอาหารคนที่ถือสินบนนะครับเขาจะได้รางวัล น, นะครับเพิ่มมากกว่าเก่า ตัวเองได้ด้วยตัวเองได้ด้วยและคนอื่นก็ได้อีกท่านพี่น้องก็อย่างเช่นท่านพี่น้องมีสตงนะครับเลี้ยงคนล่าเส้นอดร้อยคนเลี้ยงคนล่าเสนดร้อยคนฉันฉันบริจาคบนเลยวันนี้ตัวเองหนึ่งคนครอบครัวมาอีกห้าคนเป็นหกคนแล้วก็แขกประมาณอีกร้อยคน ท่านพี่น้องมีผลบุะ์ตอบแทนที่ท่านเลี้ยงอาหารที่อัลลอฮ์มอบให้หน่ะมีอยู่แล้วแต่อีกร้อยคนที่มาเป็นที่ท่านเชิญมาทานอาหารอาหารของท่านน่ะท่านยังได้อีกร้อยคนอีกพี่น้องร้อยคนที่เขามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทำได้ไม่อยู่ที่เราหมดเลยพี่น้องและคนที่มาทานอาหารก็ได้ผลบุะโยของเขาอีกอลัลลอฮ์แถมให้พี่น้องอีกร้อยคนผลประโยน อ, อยู่ที่เรา ดีมาพี่น้องแล้วพอเ ว, วลายัง่งกูู้ไม่ลดหย่อนเลยพี่น้องครบบริบูรณ์นี่นบีสัญญาไวา้พี้องแค่นั้นการบริจาคการดูแลคนโดยอยโอกาสคนยากคนจนการเลี้ยงอาหารพี่น้องในเจอร์ บ, บอร์นมีกระทรวงต่อทอจะเอาต่อตอันเยอะเยอะมากพี่น้องเอาเพราะฉะนั้นเขามีวิธีแบบวี่อย่าพี่น้องไปทำฮัชหนิหรือไปทำอุ้มรอดช่วงนี้พี่น้องเข้าจองกันเลยนะ เขามีผ้าเนี่ยยึดเขายึดคนละที่ที่เปน้องอย่างสุราบัรยาตีเลยน้องเขาไปยืนจองเลยนี่ที่ณอารย์เอาผ้ al, ภาภูพมผาปั้นลิตภัณ์างวางอาหารวางวางวางวางวาแล้วเอาเด็กไปน้องเด็ก2องสคนไปยืมมือนะพปน้องไปเชิญคนที่เข้ามาซื้อให้มานั่งที่ตรงนี้มาทานอาหารของรย์เขาแข่งกันทําความดีใช่ไหมเป็นน้อง ผมก็เห็นพี่น้องร่างประธาองรักันบ่อยๆแล้วเห็ น, นพี่น้องไอเห็นตรงนั้นเนี่ยตรงกับอาทิตย์ที่ท่านมีสอนพี่นอ้นองครับผมต้องการให้แม่บ้านเนี่ยพี่น้องให้ทําอาหารเยอะๆหน่อยในเดือนะมกราคมนะแกงกับแกงหม้อใหญ่หน่อยก็แล้วกันแล้วก็ให้ตัดแจกอืมนวัาแจกเนี่ยแม่อย่าไปนะให้ใครไปแทน ลูกให้ลูกไปแท น, นกบับอรลูกดีนะลูกถืออาหารไปถือแกงไปเนี่ยเราจะเข้าบ้านญาติน่ะให้ทําไงให้อัสลามวาะลัยกุลอัสลามวาะลวัยกุลสาีแม่ท่องสอนนะเสร็จแล้วก็ขอเข้าข้างในเราได้ไหมครับเอาอาหารมาให้คุณแม่ส่งมามานต้อเอามารยาทอิสลามดีนะไปสอนแจกเราจะน้หาบ้าน พอตักแล้วนาวะให้เพื่อได้อีมานัวัดติสะบันให้เพื่อหวังอีมานให้อิมานของเราเพิ่มขึ้นหรือเราให้พอเรามีอีมานต่อบรับรับเอาล่ะแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอาล่ะหวังแค่นี้พอี่น้องอย่าไปหวังว่าฉันให้ห้าบ้านแล้วมันจะมากี่บ้านใจอยู่พ ว, วงอยู่ดุงญานี่แหละไปน้องมันต้องหวังอาคิรอนนะเจ้านี้แม่บ้านบางคนเนี่ยไปน้อง แม่ถ้าไม่มีอะไรมาเลยสองบ้านสาบ้าน ấy, ใจมันว้าเวเย่อย่าไปนึกไปเนาะครับทำเพื่อเอา ล, ลอ้อเองหดแล้วเอา ล, ล้อก็จะตอบแทนให้เองบนยุนยานี้นะครับอาจจะมีดีกว่าอาหารที่เราทสาสมกิีก็ได้ไปเนาะเราไม่รู้นะไปเนาะครับะนันให้ทำเพื่อเอาะดูความบริสุทธิ์ใจต่อเอาลสุภานามูวาาลาพปเนาะไปเนาครับหนึ่งให้ง า, านกุรานสอนในที่รวมลอยใหญ สามไม่ให้อาไทยคนเยอะ ๆ, ๆยิ่งเยอะๆพี่น้องแล้วก็นมาตเยอะแพี่น้องบางคนชอบนมาตแต่ไม่ชอบบวดแต่ส่วนใหญ่จะชอบปวดแล้วไม่ชอบนามาตส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้พ้าดิกลมสัมผัสมาคุยกันมามีคนถามเยอะพี่น้องจ้าฉันไม่ได้นมาตอะแต่บวดจะชอบถ้าทำต้องหุ่นดีบวดอย่างเดียวไม่นมาตได้ไม้ม ผลและบุญมีไหมพี่น้องตอบจริงๆผลและบุญอัลลอฮฺไม่มอบให้พี่น้องนะถ้าถือศีลอดอย่างเดียวแล้วไม่นำมาด อ, อัลลอฮฺในดะพิจารณาแตนั้นต้องนำมาดยังให้ขาดนำมาดฟัดดูอย่างเดียวก็ไม่พอพี่น้องต้องเก็บนามาดถ้านามาดอีกวันเนื่งกี่เราก็อาจพี่น้อง12บสองเรากา็อาจหรือ10บเรากา็อาจต้องเก็บเอาไว้เลยพี่น้องโดนอุปกรณเก็บให้หมดเลย ก่อนนามาฎบ่ายในวันนี้เนี่ยซุนนะจะมีอยู่สี่ระกาศก่อนรูรี่หรือสองเต้องเลือกทำมาทำสี่ก็เยอะหน่อยนบีทำสี่ก็มี2ก็มีหลังนามาฎรูรี่สองอ่าท่านามาดก่อนรูรี่ก่อนนามาฎบ่ายสหลังสองเป็นหหลังอารซุรีก่อนอารซรีไม่ ม, มีก่อนมาร์กฤษมีไหมไม่มี มีหลังมะรอีก2กลายเป็นั้นกลายเป็น8หลังนมาศอีกสองมณีชาอีก2กลายเป็น10ก่อนนมาศสุบภศอีก2กลายเป็น12อ่านน้องนบีสอดอย่นี้มังซอนลาพียาวมิวาไลลาตินสิ้นใจอาชาวะตาโรคอาดันบานอลาหูลาหูบตันฟิลเจนนักใครที่ยืนนมาไปนอนนมาศสนนะ มัทธาติดนี่พี่น้องมาใช่ฟัตูเนี่วันกับคืนหนึ่งสิบสองเราก็เอาลอดจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ครับในสวนสวรรค์ดีไ่มพี่น้องตัวงว่าคนที่นำมานี่ยรางวัลเยอะพี่น้องรางวัลเท่ากับคนสร้างมัสยิดนี่พี่น้องคนสร้างมัสยิดนี่พี่น้องรางวัลเท่ากับมีบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์คนที่นำมาขนาดวันหนึ่งสิบสองเราก็อาจมีผลแล้วบุณเท่ากับคนที่สร้างมัสยิดนี่ย มีบ้านหลังหนึ่งที่เราจัดให้ก่อ น, น, นในสวนสวรรค์ น, นะครับ อ, อ้าพี่น้องครับเรามาดูคุรานนะนะครับอายะที่11นะในสุรับอัลมุลนะสุรับอัลมุลสุรับอัลมุลเนี่ยที่ทางสมาคมพิมพ์เนี่ยพี่น้อง30อายะ ปกป้องการถูกลงโทษในกูโบสามสบอายะเป็นการปกป้องการถูกลงโทษในกูโบคนที่อ่านตัวอ่านนะครับซุลตบอรกัลลดีที่สุนลกว่าเวาจะทุลอ่างี่ันเป็นไปดนปีน อ่านทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสามสิบอายะแทบเดียวกว่าจบเลยน้องครับอัลลอฮฺจะทำไงเพื่น้องอัลลอฮฺจะให้เขาปลอดภัยจากการลงโทษที่สุดแสนเอามผมอ่านทุกวันเพื่อน้องมอาทุกวันพรเรากลัวองเพื่น้องเนี่ยอ่านทุกวันก็ได้ความรู้มั่ความรู้ก็ได้เพื่น้อง ดัง น, นั้นอ่นอานคุรานอันลลอฮ์จะให้คุรานนี้ช่วยเลยนะช่วยเป็นทนายแก้ต่างให้เราในวันเสียมักต่อหน้าพระพัของอัลลอฮ์สุทธาห์นับอุปสารคคิดต้องครับมาดูอยายะที่สิบเอ็ดฟาตะรับูบิญัมบิฮิมฟัสุขคนลีอัลฮาบิสสีย ฟาตอรอฟูบิดมบีห์มฟัสุห์ขลีอัลฮะบิซัยยุสฟาตอรอฟูเนี่ยพวกเขาสำนึกนะครับพวกเขาสำนึกบิดัมีหิมแปลว่าในความผิดของพวกเขาไปสำนึกในความผิดของพวกเขาตอนไหน คนที่สํานึกผิดนะพี่น้องถ้าอยู่บนโลกนุ่นยาดีมากๆเลยการสํานึกผิดมีอยู่สองที่พี่น้องถ้าไปสํานึกผิดในโลกอาภิร้องตายแล้วฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นนรกตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่ๆก็ ต, ต้องเข้านรกแน่ๆ เพราะความผิดที่ทามไว้บนโลกุญญายยังไม่ได้รับการเตาบ้างเลยไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ตายไปน้องพอไปฟื้นขึ้นมาเยื่ออยู่ในทุกมันชัดเห็นนูน่นเห็นนี่ตัวเองตกนรกแน่ๆเพิ่งสำนึกตัวอายานี้ต้องการจะบอกว่าใครที่ไปสำนึกตัวหลังจากฟื้นจากสุสานไปแล้วนั้นฝซ้วก่อนห่างไกล ห่างไกลไปเสียแล้วหรืออัพหายสลายสำหรับสหายแห่งเปลวเลิศตัวเองจะต้องตกนรกแน่ๆพึ่งมาสํานึกตัวเขาเรียกว่าห่างไกลไปแล้วแย่แล้ว น, นี่หมดทางไปแล้วนั่นแหละเป็นการสํานึกตัวที่ไม่มีประโยชน์เลยสานึกตัว กับตรนรกักต้องการจะอธิบายอย่างนี้การสํานึกตัวที่ดีที่สุดต้องยังไม่เห็นไฟนรกต้องสํานึกตัวก่อนตายนี่ขณะที่เราอยู่บนโลกปุจจารบนี้สํานึกตัวซะพี่น้องจะสํานึกตัวยังไงละกันพี่น้องถ้าดูละครทุกวันสํานึกไหมดูละครละครละครละครละครละละทุกวันสํานึกได้ไหมไม่ได้ ถ้าดูรายการศาสน า, าพาทีวีโอกาสสํานึกตัวเยอะถ้าคบกับคนดีๆเยอะๆพี่น้องโอกาสสานึกตัวเยอะพี่น้องแล้วก็ถ้ามีสามีดีหรือมีภรรยาที่ดีอ้าวหรือว่ามีลูกชายของเราเนี่ยดีพี่น้องอบรมแม่แนะนําแม่หรือลูกสาวไปเรียนมหาวิทยาลัยมีศาสน า, านกลับมาอบรมแม่สอนแม่เตือนแม่ อย่างเงี้ยโอกาสกับตัวมีไหมมีสูงเลยพี่นอ้องเพราะฉะนั้นกบราณอายาที่เตือนบอกว่าฟะ่ตะรฟูบิดำวินพวกเขาจึงได้สำนึกในความผิดของเขาในวันไหนในวันเทีย่ยงพวกเขาแต่ห่างไกลไปเสร็จแล้วสำรับสาหหายแห่งเปลวไฟเลยตกนรกไปสำนึกผิด หลังจากฟื้นขึ้นมาจากสุสานไปเห็นนรกฉันจะต้องตกนรกแน่ๆนามาก็ไม่ครบถือสินกดก็ไม่ครบอากาศก็ไม่ได้ใจทายีก็ไม่ได้ทําแต่ไปฮ่องกงทุกเดือนใช่ไหมเงิ น, นเยอะๆไป่น้องมาก่าไม่กล้าไปไปอยากจะไปคน่อยๆทุกท่านดูคนเดินตะวัน ด, ดูสิอะไรไอยากไปเดี๋ยวฮ่องกงมีหน่นมีน่ีเนอะ ไปสํานึกตัวเอาหลังจากตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเห็นนรกแล้วสํานึกตัวแล้วได้อะไรเอาลอบบอกเลยนะคนได้นรกแน่ๆเพราะนั้นวันนี้เราต้พูดถึงตาบ้ากันไนมะ่น้องตาบ้าก่อนตายใช่มน้องนี่ที่น้องที่มานั่งฟังศาสนาเนี่พูดตาบ้าแล้ว น, น่นะีองนะส่วนใหญ่ตาบ้าแล้วนะทานําไมตาบ้าจะมา้ไห ม, อมนอนอร่อยจะตายไปเห็นช่วเนี้ย สิโมงสิบเอ็ดโมงนี่เป็น้องรายการเยอะๆไปหมดแต่ที่เรามาแล้วให้กําลังใจกับคนที่มาเลยคุณพ่อเอาอย่างงี้เป็นน้องการเตาบ้าตัวนี้ในความผิดต้องเตาบ้านในความผิดที่เราได้ทําเอาไว้สองเตาบ้าตัวในความดีที่เราไม่ได้ทําอาจจะเป่น้องที่ขาด น, นมาดไม่มากมีนั่นนะ่ะคือน้องวิธีเตาบ้าตัวก็คือ ต่บ้าน่าต้องทำสามรายการหนึ่งต่าบ้าแปลว่าเสียใจอันนาดับแปลว่าเสียใจเสียใจรอชายอายุหกสิบแล้วยังไม่ได้เข้าสุราเลยอายุหกสิบแล้วนี่ยังไม่ได้บวยครบเลยผมไปที่ศูนย์กลางไป้ทำอะไรคงเยอมาแล้วคนเยอ มีอยคนนึงเดินมาหาผมจากผมลากเราไปยืนอยู่ข้างๆหน่อยพระปราชญ์ขอบคุณพะจารยมาะอจารย์ขอบคุณออลอ่ะอ่ะ ข, ขอบคุณพรอาจารย์นี่หลที่ทำให้ฉันเริ่มหันมาน้าหาผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าการเข้าห้องน้ําเนี่ยว่ันนีสอนให้เข้าโดยเท้าซ้ายเนี่ยเพิ่งรู้จากอาจารย์นี่เลย ขอบคุณมากเลยวัดวัดวัดขอบคุณแล้วก็พี่น้องกับมุสลิมเราจํานวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าเข้าวของน้ําเนี่ยตามซุนาน่านาบีเนี่ยข้าวของน้ำํำอยู่ชาวไหนไม่รู้ก็เยอะที่รู้ก็เยอะไอ้คนที่รู้ที่ไปแต่ทําก็เยอะใช่หรือไม่ใช่อจะชี้แล้วเห่นไหมว่าซ้ายขวาก็ให้เข้ า, ขาก็บรัฐการพี่น้องเยอะนะ พี่น้องสังเกตนะคนที่ล้มในห้องน้ําตายนะเนี่เข้าวห้องน้ําไม่ถูกตาสู น, า น, บบนั่งครัพี่มีคนรู้จักตัวผมหลายคนพี่น้องมาเล่าด้วังเพราะว่าเขาเล่าแบบเขาแบบไม่รู้นะบอกว่ายากหายไปบนบ้านเลี่ยงเท่าไหรไปไปเจอไปเจ อ, ไปเจอในห้องน้าตายไเยัเนี้ันธุสภาพที่พี่น้องหนึ่งอ่านดัอาร์ข้าวห้องน้ําไป่เต็ม เข้าด้วยเท้าขวาท่านล้มนะหัวคว้าข้างในห้องน้ําเลยแคกเข้าด้วยเท้าซ้ายนะมันจะหงายออกมาตายข้งนอกพี่น้องด้า น, นการเข้าห้องน้ําพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องดนะ้า น, นห้องน้ําเนี่ยอย่าทําใหญ่เกินไปนะทำเล็กๆมัน ก, ก็ได้ว่าด้านล้มก็ได้หัวได้พลิกฝาไปแล้วก็อย่าลืมดูอานะ อัลลอฮุมะอินนีอาอูน si. ดูมิแกมินัลขบุสิวลขบะอิสิแปลว่าดูดูคำแปลนะฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชายตอนทั้งตัวผู้และตัวเมียทำไมล่ะพี่น้องเพราะที่อยู่ของชายตอนอยู่ในห้องน้ำคุณต้องอย่าไปคิดว่าฉันสร้างบานราคา20ล้านชายตอนไม่กราคาบใครบอกห้องน้ำชุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําทำด้เยอะไรก็จะนั่นเป็นที่อยู่ของไซตอนไปน้องและที่อยู่ของไซตอนอยู่ในตัวเรานอนอยู่ที่ไหนรู้จมูกคอยช่วงแปลว่ารู้รู้จมูกที่โพรงจมูกอยู่ข้างในนี่ไปนอนเพราะนั่นนับีเลยสั่งขอความคุ้มครองอย่ารอจนข้าวเขาน้ำไมพอนะตอนตื่นนอนมาจะทานอาหารเสวย ล้างมือก่อนไปน้องแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าเนี่ยให้สั่งด้วยมือซ้ายสามเที่ยวเอาอะไรออกไปน้อมใช้ตอนหลายคนยังไม่รู้ซั่งทาไ ม, ไ, มได้อะไรนึกว่ามีคือบุคิมบุกไม่เกี่ยวใช้ตอนมืออยู่ข้างในนี่ครับนัานประกอบสั่งออกมาปั๊บอาจจะทเดือดเดือดโลไปน้อมตาก็สว่างครับไปน้อมขอบคุณอรรถที่อรรถแนะนํา ให้นบีอุหมัดมาสอนเรืองอัคราเรื่งมารยาทของมุสลิมนะครับจะเข้าของน้าทํายังไงออกจะกของน้ําทํายังไงแล้วก็จะล้างหน้าเอามือล้างล้างอะไรล้างมือก่อนนะครับประกอบแปง้งซื้อฟันทำนะฮะนบีสอนไม่หมดไปนะเนาข้าวเลยยึดตามที่ทา น, นาบีสอนมาต่อตามฝรั่งก็ได้ไปเนอะนี่เราเนี่หลายคนนึกถึงฝรัง่งฝรัง่งฝรัง่งฝรัง่ง เป็นุณทุนน่านนาดีครับคุณนนานนาีจะดึงไปเลยเพราะคนน้นอิสลามจะมีอะไรผมเดินเดินตามฝรัไม่ใช่ตามคุณทุนน่านนาีคุณทุนาน่านนาีมาก่อนฝรั่งเนไหมครับเพราะจะนั้นอาไปน้องการเตาบ้า ต, ตัวต้องมีกี่รายการนะ3ามรายการหนึ่งต้องเสียใจในความผิดที่ทํามานะครับเมื่อเสียใจแล้วเห็นไหมครับต้องนึก ฉันจะต้องไม่กลับไปทําความชั่วเหมือนเดิมที่ขาด น, นามานมาเนี่ยต้องเลิกแล้วพี่น้องต้องหันมาที่ศาสนาในะพี่น้องนะต้องมาฟังศาสนาคบกับคนที่มีศาสนาไอ้คนที่พาเรามาทําชั่วแนละ้วพอทีไปไปแนละ้ว60แล้วอายุ60สิแล้วพอพอพ อ, พอคบคนดีๆเพื่อนฝูงดีๆเรามีพี่น้องขอเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วคุยกันครับ นะครับมีปัญหาเอาเบอร์โบราณเก็บไว้เลยสามสี่คนห้าหคนก็ได้เป็นน้องเยอะๆโทรสามโบราณมีปัญหาติดมุกเกี้ยทุ่ถามตรงๆเป็น้องไม่มีโบราณคนไหนที่เขาหวควขังโบรัณเขาให้กันหมดเป็นน้องเพราะทุกคนก็หวังรางวัลตอบแทนกับเอารอดพิพากษากคน 1. เสียใจ2ถอนตัวออกจากความชั่วอันที่สามเป็นน้องครับไม่กลับไปทําความชั่วเหมือนเดิม ไม่กลับการทำกับกล่วเหมือนเดิมเอ้ผมพบใครเนี่ยอาเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เมา่อคืนี่วานเนี่ ย, านนยาาอาวานเนี่ยตอนตอนเย็นก่อนลาดเส้นรถอาคุณใครเจ้าของฟาร์มไก่ที่อยู่ราชบรุรีคุณอามีอนะมีนัวจ้างขอบคุณเอาอร์เลยปีนี้ที่จะมีโอกาสมาอยู่ใกล้ๆกล้ ใ, ใกล้ๆคนลามาเดือนนี้ครบยังไม่ขาดเลยลทำอยู่ดีละชั่วโมงหนามากก็ครบหมดพี่น้องเห็นยังกันพี่น้องพอเราอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีดีได้หไหมพี่น้องนักบีสอนอย่างนี้ใครที่เข้าร้านทาหอมไม่ต้องซื้อทาหอมแล้นะเข้าไปเดินว น, วนๆเลยพี่น้องพอออกมากลินหอมไหม โอ้ที่ตรตัวนี่หอมหมดไปน้องเห็นยังไหมไปน้องเหมือนกันนบีพูดเหมือนกับ น, นบีเนี่ยว่าก็รู้รุญญนยาที่ทั้งหมดเลยฉะนั้นคนที่เข้าไปในรางน้าหอมถึงเขาจะไม่ซื้อน้าหอมแต่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หอมที่สะอาดเวลาออกมาจากน้ำหอมนี่มันติดตัวออกมาด้วยไปน้องเหมือนกันคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเป็นคนดีไปน้อง อเอาไปน้องกินไอของความดีกติดตัวก็ไปทาให้เขาบวดไม่ขาดทาให้เขานมานไม่ขาดทำให้เอาคุรานมาอ่านย่าอ่านไอคุรานวักอยู่กัสิ่์ที่ดีสิ่งเป็นร่องดีด้านี้ก็พูดอีกถ้าหาเราอยู่ในสิ่งเว็นรองที่ไม่ดีเหมือนเข้าไปในโรงที่เขาถลุงเหล็กเน่ยพี่น้องที่เขตีเหล็กกันอยู่เนี่ยมันก็มีอะไรไฟแป๊บๆออกมาใช่ไหมพี่น้องมันทีงมันก็ถูกเสื้อผ้าเราเรากินมันก็อับเหม็นเหมือนทั้งย ใกล้สิบเอนร้อมชั่วๆในไปน้องมีสามีมอาสาภรรยาหลายคนนะปุ๊บฮนะตอนตอนตอนจอนดในการแต่งนหน้าดูเป็นคนดีสามีดีแต่พะแตง่งไปแล้วห้าปีออกหลายออกลาก็ทำงานไปไปน้องจะเลิกก็เลิกไห้ได้อยู่มีสามคนนราเตะบ้างด่าบ้างปุกนามาด ก, ก็ไม่ได้ไปน้อง พยายาบังคับภรรยาเองทำนู่นทำนี่ขอที่เราห้ามนี่ไหมภรรยาหลายคนโทรศัทมาเล่าให้ผมฟังผมไม่เคยยุให้เขาเลิกเลยนะอดทนอดทนอดทนฟังศาสนาฟังศารนาหลายคนก็เปลี่ยนแปลงหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ต้องทนกันต่อไปเพราะเราเลือกมันจะเด็กมัน้องพลาดที่ต้องครับหนึอนตัวจากความทั่ว เสียใจก่อนหนึ่งเสียใจสองอะไรนะขอตัวออกจากความผิดสามไม่กลับไปทำความผิดเหมือนเดิมพี่น้องแต่สําคัญคนที่เติบบ้าตัวต้องทำศาสนาต้องเรียนศาสนาที่ต้องสังเกตนะคนที่ไม่เอาศาสนานี่ยนะอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษบนดุนยาพี่น้องไม่เหมือนคนในยุคก่อนนะ คนในยุคก่อนๆเนี่ยอย่างฟาโร่เนี่ยพี่น้องนะครับเป็นศัตรูของนบีมูซาอะลัยฮุสสลามเอานาบีมูซาเอาอะไรมาสอนเอาอิสลามมาสอนพี่น้องนบีมูซาเอาอิสลามมาสอนแต่ฟาโร่ไม่เชื่อฟาโร่ไม่เชื่อพี่น้องแล้วเป็นไงครับพี่น้อง อาลอดจัดการเองให้จมหน้ามตายไม่ใช่ตายฟาโรคนเดียวไปน้องไม่ใช่ตายกษัตริย์ฟาโรคนเดียวนะทั้งทหารและม้าของเขาไปน้องอาวุธทั้งหมดเนี่ยถูกอาลอดทําลายหมดเลยไปน้องครับไม่ใช่ตายเป็นรอยตายเป็นเป็นแสนอาลอดจัดการใไหมไปน้องแ้วก็ตายเป็นยาหมากไปน้องตายเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ไอสิ่การลงโทษแบบนั้นเนี่ยในยุคของดามิมอัลลอฮฺอะลลอฮ์ไม่ให้มีอัลลอฮ์ไม่ให้มีจะนั่คนที่ทำความผิดบนโลกนุยยาไปนี่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนะรับพี่น้องประวินอัมฮิลฮุมอัลลอฮ์จะประวินเวลาเอาไว้ให้เขาพวกเขาอัมฮิลฮ OK ุมรวยดาฟะมะฮิลลกาบิรีนอัมฮิลฮุมรวยดา อัลลอฮ์จะประวิงเวลาให้คนกาเฟ่ไม่อาศาสนาต่อต้านสุนนะนบีต่อต้นนานอัลกุรอานต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้า น, นของดีๆที่อัลลอฮ์ให้มาผ่านนาบี ม, มุมหมายใครที่ต่อต้านนี่นะอัลลอฮ์ยังไม่รีบลงโทษในไปน้องนะอัลลอฮ์จะประวิงเวลาให้เขาอยู่ไปอย่างอายุสี่สบโอ้โหเริ่มจะแอนติอิสลามว่าผู้หญิงมุสลิมะคุมผม ว่าผู้ชายที่มีขาวยแพร์ใช่ไหมพวกเราถูกว่าหมดแล้วไปน้องครับว่าผู้หญิงที่แต่งกายแบบนี้เป็นรุ่นเป็น น, ป น, นิสารละพัดไปน้องบังคับให้อาดผ้าภูมิยาออกนมาไม่ได้ห้ามนำมาที่โรงเรียนมาโรงเรียนข้าโรงเรียนนี้ต้องถอดผ้าภูมิยาทำงานบริษทัทฉันห้ามภูมิยา มุสสิถูกว่าม่ยกไปน้องแ ต, แต่ว่าทำไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนเหล่านั้นความมั่ีนีนกาปีนี้นะอัมฮิลุมรวยดาอาลัลลอ์ให้เขามีชีวิตอยู่ไปพี่น้องถ้าเขาเริ่มเธอยกต่ออัลลอฮ์สปีปีที่ส0อา้าวอัลลอ์ให้ตายอายุ60สห้าสิบหกสิบปีจะกินแพ้ของอลัลลอ์สักกี่ตัวข้าซาอของอลัลลอฮ์กี่กสัสซอ หายใจของอัลลอฮ์เนี่ยออกซิเจนเนี่ยหมดไปกี่กี่ถังเราให้มาฟรีกันเนากินไปเถอะใช่ไหมแต่ว่าอัลลอฮ์ะจะลงโทษ ต, ตอนไหนตอนเรือกสุดท้ายของการหายใจพอวิญญาณออกจากร่างอะไรเขาเห็นหมดเลยว่าของที่เขาดูถูกอัลลอฮ์ดูถูกอิสลามดูถูกมุฮัมมัดดูถูกถกุรานะจะเห็นว่าเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างไรกันเนาเพือกสุดท้ายอะ ตอนวิญญาจะออกจากร่าเ็นะครับตอนที่โคม่าหนักๆอยู่น้องคนกล้จะตายไปนี่ในเกณนั้คนที่สร้างดุนยาไว้ยเยอะแต่ไม่ได้สร้างอาริเคโเลยพวกเรานี่สร้างสองโลกนะดุนยาก็สร้างอาริเรเราก็สร้างเราถือสินโกรธนี่นะสร้างอาริเคโรใช่ไหม รุ่ยาได้ไหมรุ่ยาก็ได้แคลนเดอร์หุ่นงามใช่ไหมรุจยาได้ไหมได้อาร์เคโรได้ไหมได้เราสร้างเอาไว้สองสองโลกคนที่ไม่ได้สร้างโลกอาริเคโเลยสร้างแต่รุ่นยาตอนตายมีปัญหาคับที่เรปัญหาอย่างนี้เมื่อวิญญาณจะออกจะ่ด้ตั้งแต่หมอบอลุ่มลุมป้าป้ายาที่รักษาป้าหมดแล้วนะ โรคป้าเนี่ยรักษาไม่ได้แล้วลุ่มป้าตัวเองนึกแล้วฉันไปในรอถ ต, ตายพระหมอบ อ, บอกยาบหมดแล้วมันมียารักษาแล้วลุ่มหมดอีกไม่นานก็ตายระหว่างนั่งทีมครับสองโรคนี้เัาไมีอยู่ทั้างหน้าคนอ่ะเอาลวดให้เห็นหมดเลยนะ วันตัสติสกุปปวันตัฟติสกุปปหน้าแข้งสองหน้าแข้งมันตีรันครูอ่านอธิบายพี่น้องหน้าแข้งของเรามีกี่หน้าแข้งสองหน้าแข้งหน้าแข้งขวากับหน้าแข้งซ้ายอธิบายเหมือนโลกดุนยากับโลกอาทิลวันตัฟติุหน้าแข้งของเขาตีกันพี่น้องหมายความว่านะโลกดุนยา วันส <One> ุดท <my th> ้ายที่เขาจะจากโลกดุจยานึกเห็นโอ้สร้างนุ่งสัมนุ่งสามนุ่งสัมนุ่งสัมออฟฟิศทำอื่อยู่รู้รกอบดุนยาหมดเลยวันสุดท้ายจะบายบายดุจยาแล้วแล้วเขออกจากดุจยาไปไหนซากหน้าแท้งอีกข้างนึงเนโลกอาภีรักเห็นหมดเลยครับอ้าเจไปยูยังไงอ่ะไม่ได้จองที่ดินเอาไว้ ไม่มีบ you know, ้านสักหลังหนึงไม่มีที่นอนสักผืนหนึ่งม้อจสักไปมันก็มาจะสร้างไปเลยมันความหมารล่ความดีของเดือนระมา่อนไม่เคยถือเลยน้ำมานไม่เคยสูดูเลยฉะนั้นน้ำมานอ่านคูนอ่านวิคูละเหมือนกับสร้างบ้านในสวนสา์มองรุญมยาเต็มไปหมดเลยครับนี่บ้านชั้นบ้านชั้นบ้านชั้นวัตถุวัตถุรถรถบ้านมีเต็มไปหมดมองอากาศละศูนย์ ศูนไม่มีอะไรเลยใจนึกยังไง ว, วังจับปฏิสะปุฏิสะหน้าแท้งองอา น, นิมันดีกันไปเนาะไหวไปเนาะข อ, อด้ยนะครับขอพูดไรเยอะเอาล่อ่อานคำนีิคือสุนทรภู่เลยสิาล้จาน่อนคนระยะเวลาให้ฉันมีชีวิตต่ออีสักนิดหน่อยได้ไหมก็ทำาอยู่ไงทำอปแล ฉันจะทําความดีฉันจะสร้างโลกอาภีร์ให้กับตัวของฉันอันล็อกบอกว่าฉันให้มงกุฎสินบีจะทำนี่ตอนหมดท่าแล้วมาขอดีกไหมมีใครบ้างไหมที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามาทําความดีอ่ะเด็กๆคุณขอนะฉันไม่เคยให้ใครเลยอ่ะแสดงคุณไม่เคยอ่านรุปอ่านเลยคุณอ่านหนังสือทุกเล่มในโลกนี้นายคนนี้เขียนคุณอ่านนายคนนี้เขียนคุณอ่านหนังคนนี้แต่คุณดูหมด แต่พวกอ่านุนึ่งเล่มเดียวที่อยู่หน้าบ้านคุณจนเป็นไปอ่านเพราะคุณไม่อ่านกอ่านตางอานเป็นแบบนี้วันท้าฟัดิษากุบิษฐ์อิลาโรปิกายาวมาอิตุนิมลาวลาสต์จาววาลาสนลาเขาไม่เคยบริจาคเลยเขาไม่เคยน้ำหมาดเลยสักครั้งวาลาสต์ววาลานลา ว่าละเก่งกาว่าตะวันลเขาโกหกเขาดูถูกเขาเยียดยามอิสลามนออลลอละกอาลลซุ่มมะอลอละกอาลออลอัลลอฮูีนั้นอลละกอลซุมมอัลละกัอาลลออลลแปลว่าความวิน ทำไมพูดสีรั้นอะ่ะพ่อเรามีคนสีโลกใช่หรือไม่ใช่หนึ่งโลกจุกยาสองโลกในภูโบสามโลกอาภิลสี่นรกพี่น้องเห็นยังไงพี่น้องคือบางคนอธิบายอย่างนี้โลกแห่วิญญาณนั่นโลก อันที่สองโลกอรอันที่สองโลกอันที่สามโรอันที่สี่โลกอันที่หกอาลลาลากับอาลลาสุลมาเอาลลาลากับอาลลายุบุนตุญานี้ก็พินาศไปอะไรสร้างแต่วัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุไม่จะสร้างคุณธรรมความดีเพื่ออันที่หกขาวขาดทุนหรือกําไรขาดทุน พอตายไปเจอการลงโทษอีกเพราะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในโอ๊คในอาคิรอะเพราะอาคิรอดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างอาคิรอดท่านเรา ไ, ไปอาคิรอดในกรงกันที่ตั้งอยู่มีมัสยิดเนี่ยนะอ ย, น อ, ยนอยู่ในอันยูมันเนี่ยผมอาจจะตายก่อนเพราะยุคเจ็ดสิบสามในวันนี้ผมพอตายก่อนนะท่านจะต้องอยู่อีกสิบปียี่สิบปีนั่นใครตายก่อนถึงอาคิรอดก่อน เหมือนอ่านหนังรถไฟใครถึงใครถึงก่อนก่านลงก่อนจะปลายทางหวัวลำโพงเป็น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องนึกอัลลอฮ์สอนใน้มุสลิมนึกอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาสอนให้นบีสอนอะไรเป็นองสอนโลกอาภีร้อทั้งหมดและการเรียนอุปถัมภ์เป็นองครับเตือนให้อ่านเตือนให้ลกนึกลลกอาภีร้องหมดฉะนั้นนบีทุกคนที่มาในโลกเป็นอง จะมาเตือนเราให้นึกถึงโลกอาซว่งเยอะนอนนึกอาซึ่งผมก็นึกไปนอนยนนอนตื่นีื่3นสามนอกโด่นมาตอนจะนามาธิจะสั่งามาดีพี่เกียร์ิ่ะที่แบบนอนอาทูปตีหนึ่งเนี่ยสามงุ่มจะตื่นเนี่ยแล้วก็นึกตัวไป ถ้านอนอยู่นกูโบ่คณเดียวถ้าถูกอันดาพาะคั่ช่วยเราเนี่ยได้มาตัวสองระกานอัลฮัมดุลิลลาฮ์เวทีติ๊กสามอัลฮัมดุลิลลาฮ์ทีนอ้อมันก็ได้แรงจูงใจที่เราอ่านจากคั่และนึกถึงโลกอาฟิล็อคนึกถึงการลงโทษในสุสามนึกใครจะช่วยเราในสุสามลูกอะสามีหรือหมดสิทธิ์อิมามพวเรา นีใครช่วยได้เนาะอยู่บนดุนยานี่ยร่ป่วยนี่แล้วใครล่ำป่วยอยู่นี่คนช่วยแต็มมั้งเต็มเลยครับท <ed it> ่านพอหลังตายไปแล้วเป็นงานของอารงานที่ช่วยได้คืออามาลุนซอลเนี่ยอามันติซอลอนะอามนานูวามิรุซอลเนี่ยฮะงานสองอย่างที่ช่วยเราได้หลังตายนั่นอีมาออมนซออามันี่ซอลนะอามัน อลัลลอฮ์นี่นะอีอัลลอฮ์สอนดีนะคนที่ถือศิลดตอนเนี้ถือกันเก่งทุกคนนะห้าสิบหกสิบยังถือไหวเจ็ดสิบก็ยังถือไว้มนพออายุเราสักแปดสิบยังไม่ตายอาลัลลอฮ์ไม่ให้ตา ย, ย, 8, 10, า ย, ยาาแต่มันก็ อ, อยู่ไปอีกแปดสิบางคนถือศีลดไม่ไหวพอถือศีลดไม่ไหวอ่านกุรอานก็ไหวแต่มันกลงลบกลมมามัสยิดไม่ไหว ทุกครั้งที่เรายืนลมาดในบ้านของเราคือน้องแต่ตอน40 50เดินไปนะมาดมัสยิดประจํานะมัสยิดมัสยิดมัสยิดมัสยิดอ่านผู้ภีอ่านสม่ําเสมอน้องพออายุ80เดินไปนมาดที่มัสยิดไม่ไหวท่านยืนนะมาดที่บ้านนบีสอนว่าคนที่ยืนลมาดที่บ้านคนเดียวคนละบุญเท่ากับเท่าไหนึ่งเท่านมาดที่มัสยิดเท่าไรยี่สิบเจ็ดเท่า อตอนหนุมน่มๆเนี่ยไปเป็นประจำแต่พอแก่แล้วไปไม่ไหวเาลาเปลี่ยนนะน้ำมาที่บ้านแคทท่เพียงได้หนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมเพราตอนหนุ่มๆเราไปประจําตอนแข็งแรงเนี่ยไปประจําเลยยามาสติน้องแต่พอเราไปไม่ไหวจริงๆใจอยากไปอยากไปข้าวขาไม่ไหวน้ำมาที่บ้านคนละคนเท่าไรยี่สิบเจ็ดเท่าะ้องอ่านตรงไหนครับ Allahur amiilin. Lepas ada kalau k e n a l i n s a n a f i Ahsan i t abulin. s u m m a r a dadnahu asfad a s a f i l i n Illallahina a m a n u w amilus a salihat. Falahum ajrun ghairu m a m n o n t u n n y a Orang ni punya. Kalau sahaja maklumat i n You're v บริสมาร์ทอินสต t ทูตทั <talk ing after écrit> <c oughs> ้งลอทั้งสวยใช่ไหมเอาใครไปยืนสอดกระโดดตัวเองไม่รอมีมั้ยอหมเขาก็น่าฉะนังรอชั้นหนึ่งเลยรอหมดสวยหมดและต่อมาซุ่มมาดอดเดินหน้าหัวอัศพาดซาไปดีและต่อมาเราทำไอ้พวกเขานั้นตกต่ำและตกต่ำยิ่งมาถึงแก่แก่แก่แก่แก่งงงงงจะไปตั้งทำอะไรไม่ไหว ใช่ไหมใช่นี่เป็นกฎธรรมชาติที่ เ, าเราบอกหวานไว้บนหน้าโลกดวงจะนทรไปนี้อิลลัลลีนาอามานูคนที่งอมแกทำอะไรไม่ไหวยกเว้นคนแก่คนงอมที่มีอีมานเห็นไหมพี่น้องอิลลัลลีนาอามานูงอมแก่แล้วชร า, าแล้วทำอะไรไม่ไหวแต่มีอีมาอยู่ในใจเยสร้างเยอะ มาเรียนศาสนาตอนหนุ่มๆตอนสาวไวเยอะมากพี่น้องล้วเก็บบออ่สสอสะสมอ่มาอิมาด้วยหวานมิลซอร์ฮัแล้วก็สร้างความดีไว้เยอะพี่อน้องหลายอ่านกุ่อ่า น, นตอนหนุ่มๆคนอบอกว่าเุนี่ผมพูยกัหลังผมมาช้าตอนมาตอนนั่งจัด น, นั่งทานอาหารั้งว่าหนูชอบอ่านกุ่อ่า น, นได้กี่จุดแล้วปดุดแล้วค่ะพัมเล่ ที่น We you know, ้องยู่อ๋อที่น้องอ่านกูอ่านเดยุ้งยุ้งก็ซึมอยู่ซึมวนล้อมดีเลยนี่เรา็อ่านกูอ่านได้เจ็ดแปดยุ้งแสว่าวันลยุใช่ไหมเนี่ยก็ไม่คิดว่าหเจ็ดพัเลยต้งทึ่งพระพุทธเจ้มัเคยแสไอ้เด็กเห็นว่าอช่วยรักษาอาันของลูกาา ถ้าบาเร า, าทุ่บ้านเป็นอย่างนี้ยงนี้ถาว่าสังคมดีมั้ยอิลลัลลนอามนูยกเว้นคนที่แก่แล้วมีอามันที่ซเลตแล้วก็มีอมา่าฝาลาฮุมอาจรุนร้อยรุมัมนูนสาหรับรางวัลของพวกเขาดันถูกรับถูกส่งให้สม่าเสมอไม่มีวันหมดเห็นไหมฟาลาฮุมอจุรุนรอยรุมมัมนูนที่กุอาน อธิบายให้เข้าใจแบบนี้ครับเพื่อให้กำลังใจเราบอกเราไบบรู้ว่าชีวิตดุญยาเป็นโลกแห่งการทำความดีและหาอีหมานพอหาแล้วถึงเราป่วยแล้วแก่ชราเดินไปไหนไม่ไหวแต่ว่าอีหมานแล้วกับได้เข้าบัญชีเราตลอดเวลา้ อ, องอ่านคุนอ่านยากจะอ่านคุรอ่าน อามาอ่านได้ไม่กี่อายะความจํมามันลงหลงลึกผลบุลได้เหมือนกับอ่ากตอนหนุ่มๆไปน้องนามาที่บ้านได้หนึ่งเข้าแต่พอเรามาศพะอายุเราเยอะไปไม่ไหวผลบุลถั้ง่อนระมาที่มสัสยิดเลยไปน้องยีบเจ็ดเท่า น, น้องคอยบริจาคตอนหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหล่ำกุลที่สุรานี่โรงเรียนนี่มัทราซานี่สิมูนีชีนี่บริจาคไปนำตะมันเสมอพอแก่งเงินทองเราน้อยลง ไม่ได้บริจาคแต่ใจมนุษยะอยากจะบริจาคแค่เนืกก้อกระบริจาคคนและบนหมาแล้วเพราะเราเคยทําความดีเอาไว้ใครไป น, นอาา้องสาระภุมอายุรุณร้อยูมัม่มนูนขอบคุณอัลลอฮ์ทับนะท่า น, นี่คือชีวิตของมุสลิมมุสตาฟาต่อว่าอัลลอฮ์ให้ทานออกแบบนี้คนทั้งโลกไป น, น้องครับเขารักอิสลามแล้วเขาก็เป็นห่วงอิสลามไป น, น้ปนองไปน้องอย่าลืมนะนครมักกะ วันที่น บ, บีพิชิตนครมักกนะเน่ยนบีอยู่มักกะสิ13าปีออกจากนครมักกะไปอยู่มลดีนาประมาณสัก8ปีแล้วก็มายึดนครมักกะกลับเนี่ยรู้ไหมในเดือนไหนเดือนรอมอตอเพราะฉะนั้นเดือนรอมอตอมานจะเดือนอย่างการนอนนึกถึงนบีนบีนบีเขาเหนื่อยพีเนาะแล้วก็กลัว ต้องทำสงครามไปน้องพาสว่านาบาดีป ร, ประมาณหมื่นคนมายึดนครมักกะไปน้องพอยึดนครมักกะแล้ววันนี้นครมักกะเป็นแหล่งที่เราไปทําอุ้มร้อยทำอาดีแบบสบายๆใครเหนื่อยครับนบีมุฮัมมัดเหนื่อยอและผคนละบุญ น, นบีมีไหมมีครับสว่านอาบีมีไหมมีเพราะเขาปกป้องมักกะเมื่อก่อนนี้เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรูปจเวบ ลูกเจเวตเจเวตจะเวตในมักกะมีประมาณ365ร้อยห้าูกเจเวตคอนบีมายึดนครมักกะภาพได้นบีไม่เคยฆ่าคนเลยพี่น้องครับไม่เคยฆ่าใครเลยพี่น้องเสร็จ แ, แล้วท่านบอกกับท่านอบูบักกบอบูบักช่วยเอารูปเจเวตในมักกะในอะนะในใ น, ในกาบานเนี่ยเคลียออกให้หมดอ่ะยังพี่น้องครับ วันนี้พวกเราเข้าไปสบายไหมสบายใครเหนื่อยนบีมูฮัมหมัดเหนื่อยคยือไมแต่รางวัลของนบีมีไหมมีครับพี่รอ้ครับฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้เราดูแลบ้านของเรานาบีดูแลมักกะญ่ ย, ยไหมใหญ่ประชาชนเยอะไม่เยอะดูแลมาดลินามักกะญอัลลอ์ให้เราดูแลบ้านของเราดูแลได้ไหมให้อิสลามในตัวเรารักษาให้อยู่ ให้อิสลามกับภรรยาเรารักษาให้อยู่ให้อิสลามอยู่ในะสามีเราในภรรยาของเราในลูกของเราในหลานของเราพี่น้องและในบ้านของเราหลังนี้ให้มีเสียงอัลลอฮฺคือว ah ่าอัลฮัมดุลิละละอิลละอิลละ์ให้มันกระหึมอยู่ในบ้านของเราเอัลลอ์มอบหนาที่อันนี้ให้กับพ่อแม่ทำได้ไหมพี่น้อง น บ, บีรับผิดชอบที่บ้านด้วยที่มสัสยิดด้วยที่สังคมด้วยหมู่บ้านด้วยประเทศด้วยทำสเปดกับที่น้องเราดูแลตัวเองให้ดีอ่านดูแลภรรยาให้ดีุอ่านสางครับยอย่าอายุฮัลเลย น, มนะมนุษย์ผูอัลฟุสักุมวะอหลลิคุมนารออบบัดอาคุบีมาเนเอร์จงดูแลตัวของท่านให้ดี ว่าดีกุมดูแลใครครับคนในครอบครัวได้มาถึงภรรยาของท่านให้ดีให้ห่างไกลจากไฟนรกพี่น้องครับวิธีห่างไกลจากไฟนรกต้องให้อิสลามอย่างดึนไม่หมาต้องให้อิสลามให้ตัวเราเข้าใจอิสลามนะครับให้ภรรยาเข้าใจอิสลามเข้าใจสุนัขนบีเห็น้องถ้าเข้าใจสุนัขนบีแล้วอัลฮัมมุลิเลห์เห็นไหมดีหมด ให้ลูกเข้าใจสุนนรภ์านมาีอัลฮัมดุลิลเลาะน้องให้ลูกได้นามาตย์ครบห้าเวลาจากนั้นอามันที่สอนและที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้นามาตย์นั้นขาดอย่าั้าไม่นมาตย์มันขาดไปน้องต้องรักษานามาตย์เลยไปน้องแล้วก็นบีก็สอนดีี่น้องนะถ้าจะลงโทษลูกลงโทษในความผิดอันไหนน้องเคยทราบไหม ลูกทำอะไรผิดถึงลงโทษได้ทำอะไรครับคาณาฟ้าถ้าลูกไม่น้มาเนี่ยให้แม่พ่อเนี่ยเคี่ยนได้เคี่ยนกี่ทีเอาสุนัขในบีไปใช้ทีเดียวอยากเต็มที่ก็สามทีตีเป็นเลขขี้ขี้ใช่ไหมอลวิตรูอะคับบุรีเลี ย, ยจำนวนขี้เนี่ยอัลลอฮ์ชอบจะนั่นหน้ามารวิเทสมีเท่าไหร่ มีหนึ่งมีสามมีห้านำมานกิเทศทีน้องอัลลอฮ์ชอบเลยนะัโค่นตนนำมานกิเทสน่ายางขี้เกียร์ีเกียเท่าไรวันระกาศหนึ่งลกาศทำอยัมดีแล้าาวรักษาไว้ยังให้ขาดทีน้องทำอยู่ลดล้อาวพี่นอ้องตัวกุรอานนะฟาตาอฟูบีดัมบิฮิม ฟะซุห์กอลีอัลฮะบิษะอิพวกเขาจึงสำนึกในความผิดของพวกเขามาจึงสำนึกผิดเมื่อเห็นนรกสำนึกผิดตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเห็นนรกพวกสำนึกผิดเอเลาจะฉันผิดไปเลยเอเลาว่าไงครับ ฟาซวยก่อนห่างไกลไปแล้วหลอัศคาบิดไส้สำหรับสาหายแห่งเปลวไฟเห็นไหมพี่นอ้องไปสำนึกพิดตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพไม่มีประโยชน์เลยครับพี่นอ้องจากนั้นถ้าจะสำนึกผิดต้องสำนึกทิขณะนี้ขณะนี้นี่เนี่ยเดือนรามบอนอมาแล้วทำความดีซะพี่นอ้องอายาที่สิบสอง อิ a นัลลอฮีน่าย ba รชาว i ารับบหุมบิลไรบะลาหุ a มาฟิ a ัตุมแล a จุรุมก na ีอินนัลล a ฮีน่าย a กรชาวนา a ับบหุมบิลไรบะ a าหุมมาฟิรัตุมและจุรุมกับีอัลลอฮฺญาลีบิมักอัลกินาอุดกันไปอินนัลลอฮีน่ะ แจริงบันดาผู้ที่อยกากเชอาบบาฮุมยากชาแปลว่าเกรงหรือยำเกรงกลัวใครที่กลัวกลัวใครครับรบบบาฮุมพระผู้อภิบาลของเขา อ, ลอัลลอฮนองคนที่กลัวอลัลลอฮพวกเรานี่กลัวอลัลลอฮฺไหม คาว่ายักษ์เช่าในข้าทธิบายอย่างนี้กลัวของที่ผ่านมาทั้งหมดอืมผ ม, มอายุเจสบเริ่มทำความดีตั้งแต่อายุสี่บยกตัวอย่างสี่ส6บห้าสิหกบเจสบสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ทำความดีมาเนี่ยอย่าอย่าทนงตนฉันนี่เฉลมทำความดีนํมามาตั้งอายุส0สิบ โอ้ตลอดเลยไม่เคยขาดต้องกลัวด้วยนะคำว่ยักษ์เช่าหมายถึงกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนามายของตัวเองที่ทำาสามสิบปีต้องนึกอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่ า, าอย่าร อ, อรับนามายของฉันด้วยขอเป็นภาษาอัสรามบนาตะกอบเบลมินาานาซอดาตานาอยาอัลลอฮ์ยาอัลฮามราฮิมีโอ้อัลลอฮ์โปรดรับนามายของข้าพรเจ้าด้วย ขเจ้านามามาสามสิบปีเนี่ยอาอจะรับด้ดวยเรากลัวว่าอาอนจะไม่รับยาไปตะกา บ, บุตรชแน่นมานเริ่มเนี่ยคลิปขาดมาสามสิบปีแล้วคนอื่นสู้จัไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเยวหญิงใช่ไม่ใช่ภาษาตะกรบุตรใช่ไหมใช่าาบบใชใชยาคนแบบนี้ต้องนึกอ า, าอนอาจะรับน้ามัของฉันหรือตามออา อัลลอฮฺจะรับความดีของฉันด้วยบวชมาสามสิบปีแล้วอัลลอฮฺจะรับด้วยนะครับนำมาสุนัดมาเลยไม่เคยขาดอัลลอฮฺจะรับด้วยบวช ด, ด้วยอ่านกุรานด้วยความดีที่ทําอัลลอฮฺจะรับด้วยแต่มีอีกคำหนึ่งวัตตะกุลโลเกรงกลัวอัลลอฮฺชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจากผมในเจ็ดสิบ อีกสปีตายยกตัวอย่างเจห้าตายชีวิตตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายโอ้เอ๋ยรอประคองชีวิตของฉันอยากให้ฉันนั่นเป็นคนที่ทําอะไรผิดต้องขอครับชีวิตที่ผ่านมากว่าต้องขอชีวิตที่เหลือต่อไปอีกไม่กี่ปีจะตายจนกว่าจะตไม่รู้เราจะพลาดทําอะไรผิดหรือเปล่าไปน้องต้องกลัวบอกเด็กนี่อลัลลอฮฺสาาั่งอินนลัลลาฮิเนะอยากเช่าดาวบะาวหุบบิลกอยบ แท้จริงคนที่เกรงกลัวต่อพระผูอ้อภิบาลของเขาบิ้วลอยลอยไปว่าความเลึนลับเรกแปลว่าอันซีนไปน้องของที่มองไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยเรากลัวนะไปน้องครับอะไรบ้างของที่เรามองไม่เห็นเอาลองมองเห็นไหมไม่เห็นมาลากะมองเห็นไหมไม่เห็น คำภีกุรานที่อัลลอฮฺประทานให้นบี ม, มูฮัมหมัดผ่านท่านจีบรีนเราเคยเห็นไหมไม่เคยโรซูนเคยเห็นนับี ม, มูฮัมหมัดไหมไม่เคยวันเกียร์มัดวันวันเกียร์มัดอัลลอฮฺจะให้เราตายเราฟื้นขึ้นมานเห็นภาพไหมยังนึกไม่ออกเลยไปน้องแต่อ่านจากคุรานพอรู้ แล้วก็ว่บบิลก็จะดูคายรีวัชรีเป็นอัลลอฮ์ความดีความชั่วมาจากอาลัลลอฮ์เราก็ไม่เห็นเหมือนกันพี่น้องในเรื่องอันซีในะเรื่องของที่มองไม่เห็นทั้งหมดพี่นอ้องอาชีวิตหลังตายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมพี่น้องกลัวไหมกลัวพอกลัวก็จะขอดุทิอย่าอาลัลลอฮ์จะให้ชีวิตฉันฉัหลังตายได้รับการทรมานจากอัลลอฮ์ที่รุนฝังสพอัลลอฮ์จะของที่ผ่านมาอัลลอฮ์รับด้วยความดีที่ทําไว้ ทำดีกับพ่อแม่อาราจารับรู้ความดีอันนี้อาราต่อนหลังจะมีต่อไปให้ปกป้องช้าอยาให้เป็นคนเสียคนชีวิตหลังตายอาราจะดูแล ด, ด้วยใช่ไหมฉะนั้นอินทร์ละีนะยายักเช่านารอบบ้าหุมบิลร้อยบิคนที่กลัวอาราตลอดเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมาและชีวิตที่จะเหลือต่อไปจนกว่าจะตายถ้ากลัวแบบนี้แล้วก็รักษาตัวเองอยู่ในตนะุนนะนบี แล้วจะทำอะไรก็ตามจะกินน้ำ ส, สกแกตตเย็นนี้ละสินอดผมแนะนำแล้วว่าอายุเยอะๆอย่างเราเนี่ยอะไรดีที่สุดอินทสารลำกับน้ำอุ่นๆไอ้น้ำแข็งไม่ให้ลูกหลานเขาดื่มไปฐานไปเพราะกยังหนุ่มสาวอยู่เราแกแล้วไปนองรักสุนัขนาวี กินน้ำดื่มน้ำตอนละสินบนด อ, อ, อนนบดนอนนบบจับแก้วน้ำด้วยมือซ้ายหรือมือขวาสุนทรนบีทั้งหมดไปน้องรักษาเพราะนะบีทาเป็นแบบว่าจับแก้วน้าด้วยมือขวาแล้วก็ดื่มครั้งแรกไม่เกินกี่อึกสามถึกไปน้องคือลูกหลานเรากไม่ใช่เ <c oughs> ด็กใครก็ อ, อีสเหมือนแล้ว สองกพอหายใจแล้วก็ดื่มต่อไปเานีสุนภูดีทั้งหมดอ่ะดีกวสุขภาพเราใชน้งอินาณเมตรสเมตรสมเมตเันมทดอนะลาด้วยวาบอมาวัันทร์นาติลาุลุวะซาบัอัจอิ้นชอัลลไม่ดาใช่ไหมน้องท่าไหร่ขออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะรับการถือสื้ดขเราด้วยที่ถือมาตลอดทั้งวันอัลลอฮฺจะฉันไปนั่งฟังศาสนาวันนี้ <convers es> <m im chat> ทุ่มลงึ่งเลยไปนอนกงหลายลว่าจะรับการทำำรําความดีของฉันด้วยเอาว่าจะเอาว่าขออยูน่นอนครับกลัวงนะชีวิตที่ผ่านมากว่จะรับไม่รับไอชีวิตที่อยู่ต่อไป ก, กว่าจะได้เอาว่าจะปกป้องดูแลคุ้มครองด้วยอยู่นอนแต่แล้วเป็นไงครับถ้าเราขอกระดับนี้ทําตัวแบบนี้ลาวุมาฟีโรสําหรับพวกเขาคือการอภัยโทษใช่ไหมนี่ใครพูดครับเอาลองพูด เป็นพจน์นาที่มาจาก อ, อกาัลลอฮฺผ่านนบีมูฮัมหมัดผ่านท่านยิบรุรีหรือ น, น้องท่านคนที่ประคองตัวชีวิตที่ผ่านมาและประคองตัวชีวิตที่เหลืออยู่พี่ น, น้องจนกว่าจะตายเนี่ยมีแต่ละุมมาเอฟฟีรอตูอัจรงกบิสำหรับพวกเขาคือการอภัยโทษโทษที่มีอยู่อัลลอฮฺยกบนอนะ่ะฟรอกิฟอัลลอฮฺยกให้ให้อภัยโทษ พี่น้องถือบวมาตั้งแต่เช้าเนี่ยประคองตัวเลยจะด่าค้นแบไห่เอ้าด่าด้ทำไมจะด่าไม่ได้ของแล้วแต่งานนี้หยุดเพื่ออัลลอ์หยุดเพื่ออัลลอ์แทนที่จะว่าสับด่าดาแรงๆได้ไหยได้แต่ว่าอะไรสุบฮานุลลอฮ์อัลฮัมดุลิละละอิลลฮะอินนุลลอฮ์อัลลอฮ พี่น้องครับประคองตัวอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับแล้วหุ้นมาปับซืรอทุนสําหรับเอาจะได้การอภัยโทษความผิดในอดีตมันก ย, ก, ยกหมดเลยแต่บาปเล็กบาปเล็กเนี่ยเราอภัยโทษหมดแต่บาปใหญ่เราทาไงบาปใหญ่ทํำไงพี่น้องต้องเต่าบั๊ะตัวต่ออัลลอฮฺบาปเล็กถือสินลดลดนมาตรลด อาบน้าตามาดลดน้องพูดเ่งอาบน้าตาบาดคนที่รักษาน้านามาดอยู่เป็นประจัมีอยู่คนเดียวพี่น้องที่ท่านมีชมนะรู้ไหมใครท่านไซดินางบิลานอะไรกี่สระทาบิลานานอยัวหัวหงันไซดีนังบิลานพี่น้องนึกประวัติเป็นคนจนๆคนหนึ่งผีวดำ เป็นทาสใช่ไหมพี่น้องในสายตาของพวกเราทาสเราก็าไม่เอาแล้วย่างมาแต่อาราบประคองอะ่ะเอาบิลานมารับอิสลามแล้วก็ถูกทรมานบา ร, รักอิสลามพี่น้องบอกไป่ทิ้งอิสลามบิลานมากร่านไม่ทิ้งยึดอาราบคนเดียวพอท่านอบูบักรซื้อท่านบิลานมาเป็นอิสลามอาราบแต่งตั้งนบีแต่งตั้งให้เป็นหัวอันดินคนแรกของโลกพี่น้อง นบีขึ้นเมรอดนบีขึ้นเมรอดไปรับนมามะี่ต้องสังเกตนะนบีเวลาจะเดินเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านนาบีจะใช้ลาจะขีลาเวลานาบีจะเดินทางไกลๆนบีจะใช้อูดยานพาหนะที่เป็นอูด เวล า, าอับดุลการจะออกสงครามนาบดจะใช้มา้าต่างกันนะอบีจะขึ้นมีอรอฮไปรับนมาของอัลลอฮ์อบดุลารใช่เครับบุรอใช่บุรอเป็น้องไวที่สุดในโลกเยี่ยมประชาชนตามหมู่บ้านเดินชา้าชาขี่อะไรนะขี่ลาเห็นหน้สาสลามอเลกุมเห็นประชาชนทามยิ้ยมกั น, นอะไรกันเป็น้องมีความสุข เดินทางไกลไปต่างจังหวัดใช้อะไรครับใช้อูดถ้าออกสงครามใช้มาาขึ้นเม่์รอดไปรับนามาใช่อะไรบุรอกพี่น้องทำไมอ่ะก็นี่มั น, นบินสอนเนี่ยเราต้องพัฒพนาต้องเจริญตลอดเวลาพัฒนาตัวเองให้คิดตลอดเวลาพี่น้องกำลังกับตอนขึ้นเม่์รอดขี่บุรอกไปไปทัวร์ชั้นฟ้าพี่น้องโอ้โหมื อัลลอฮฺให้จีบรินนำนบีเข้าไปในสวนสวรรค์พอเข้าไปในสวนสวรรค์เห็นท่านบิลลาเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าท่านนาบีใส่รองเ ท, างงทาง้าไม่ไดจจำรองเท้าได้เสียงรองเท้าของท่านบิลลาอยู่ข้างหน้านะครับพอนบี ล, ลงมาถึงพื้นดินไปเห็นหน้าท่านบิลาบอกปริศคุณทําอะไรอ่ะฉันเห็นคุณเดินอยู่ข้างหน้าชัดในสวนสวรรค์นนะ อ๋อนี่ยังไม่ตายเลยไปน้องนะสวรรค์อยู่ข้างบนเลยไปน้องนะเห็นท่านบิลานเดินอยู่ข้างหน้าท่านนบีคุณทำอะไรใหรือบิลาตอบอะไนไหมฉันทุกครั้งที่หมดน้าน้มาฉันจะอาบน้ําน้มารักษาน้าน้มาแล้วก็พออาบน้ําน้ำมาจบชันจะน้ำมาสองระฆังเรียกว่าตาเฮียตุลูดูน้ำมานให้เกียรตกับอาบน้ำน้ำน้มา เอาอเลยไปลองเห็นยังน บ, บีบอกวา่ า, า, าเพราะทำความดีของคุณตรงนี้แหละฉันเห็นคุณอยู่ในส่วนสวัส์รักษาตกลงว่าในศาสนาอิสลามไม่มีอะไรเล็กทุกสิุ่อยาใหญ่หมดอาบน้ำน้ ม, มา ก, ก็เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ จะดรทลายนะซิกรุลล ก, ก็เรื่องใหญ่อาบน้ำ น, น้ำมาด ก, ก็เรื่องใหญ่ให้อภัยคนก็เรื่องใหญ่ลดสายตาให้ตามลงก็เรื่องใหญ่หมดไม่มีอะไรเล็กในสาสนาเลยต้องขอบคุณอาวั า, าดวเถ อ, อย่าดูถูกน้ำน้ำมาดไปนนะแล้งนะรักษานมาดไว้มีแทกซี่อยู่คนหนึ่งไปนอ้องเราใฟังจ้า ผมฟังศาสนาเขะสิ่งที่ผมทําไดอ้อย่างนี้นผมรักษานามนามนาดไม่ให้ขาดเลยพอหน้า น, นามาดแบบผมแวะเลยจอดปั๊บเข้ามสัสยิดเลยอาบน้านามาดเลยนามาดสองกระตักขัรบรถต่อลิซุตีเพิ่มทุตอนตลอดเวลาฉะนั้นอย่าเอางานศาสนาเปเรื่องเล็กบางคนว่านามาติีเล็กไม่เท่าใหญ่ต้องรออีกใหญ่ไขวบอ มันใหญ่ทั้งหมดทีนี้พี่น้องนามสนาสนัฏก่อนนามาสสุโบ ส, สองอัดก็เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กพี่น้องยิ้มให้ภรรยาก่อนเรื่องเล็กยิ้มให้มากก่อนเรื่องใหญ่ใครบอกเห็นหนะ้าภรรยายิ้ม I love you very much today เอาละวันเรื่องใหญ่นะเห็นหนะ้าลูกหอมลูกัำดูแลเห็นแม่สละก่อนแม่ทำดูแลใหญ่ยยหมดไม่มีอะไรเล็กในอิสลามดังนั้น ทตามสูตรหน้ามีบรรกามีราวัลตอแทนอล้อมหมดเลยครับจันยศินใช่ครับเพราจยนต้องรับผิชอบเลยนะุฮานะกเมวีดอดอันอัสตกิกวตบิัอุ์มุลบระน์ุรฮะมุรอัลฮัมิลาลอาลามี أ الأ و ا ل الأ ل ا ة و س ل ا م على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إ ل ن ا إلا معلمتنا إنك أنت علی من الحكيم ولا حول ولا قوة ا ل ا بالله العلي العظيم رب شرحي ل صدر ي ويسر ي أمري وحل ا ل أ ق د ا من لسان يفقه ق و ن ي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته วความรักความ ม, วา ม, มีตินิยความเมตตากราบีจากพระมกุฎสุภานุวัติตาลตุงมีเนี่ยท่านประธานสมาคมอิสลามเพื่อการพัฒนาและการอิหม่าท่านอาจารย์นท่านผู้อุปสมบทท่านทีมงานนะครับแล้วกพ็พี่น้องวันนี้ที่มาครับมาชมกัน ส, สดนะครับมาฟังกัน ส, สดนะครับทางพี่น้องมุสลิมแล้วก็มุสลิมะนะครับที่ ที่สมาคมท่านเป็นเป็นเราเป็นสมาคมแม่นะครพราะตอนนี้นะนในเมรามีการขยายศูนย์ที่ที่ท่านได้ได้กล่าวไว้ น, นะครับศูนย์การเรียนรู้อิสลามซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์หรือหนึ่งในโครงการที่ทางสมาคมอิสลามเพื่อการอิน ม, มาและการพัฒนาได้ได้ทำซึ่งในภาพรวมภาพใหญ่ท่านก็ได้ยินได้ฟังท่านนายกสมาคมและได้พูดให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของ ในส่วนของศูนย์เราซึ่งก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะฮะที่โครงการนี้ส ม, มาคมอิสลามเพื่อการพัฒนาเพื่อการอิมรลแลการพัฒนานะร่วมกับสถานที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ร่วมกับองค์กรต่างๆที่อยู่ตัางจังหวัดจะเป็นมัสยิดหรือเป็นโรงเรียนเป็นสถาบานันเป็นกลุ่มนะฮะที่เปิดหรือจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อิสลาม ใช้คำว่าศูนย์การเรียนรู้อิสลามนะครับมีคอนเซ็ปต์เรื่อความคิดรวบยอดง่ายๆครับเหมือนกับเซเว่นนะฮะเราต้องการให้เหมือนเซเว่นแต่ต่างกันที่เซเว่นเนี่ยเขามีสินค้าอุปโภคบริโภคแต่สิ่งที่ศูนย์เรามีคือสินค้าที่เป็น إ ي م านการศรัทธาเรื่องของอิสลามความรู้เรื่องอิสลามนะฮะให้ทั้งให้ทั้งมุสลิมนะครับมุสลิมที่เป็นพี่น้องมุสลิมใหม่ที่เข้ามาหรือเป็นมุสลิมเดิมๆนะครับได้มาอาศัยสถานที่แห่งนี้นะครับต่อยอดความรู้ ความจริงแล้วศูตรของเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีการบรรยายไม่ใช่นะครับแต่ทุกกิจกรรมครับทุกกิจกรรมที่เป็นการพบกันพบปะกันเดือนละอย่างน้อยเดือนละหนครั้งซึ่งต่อไปอาจจะมีเดือนละสองครั้งหรือทุกอาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจัดไปนะคะ ดังนั้นหนเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะเรามาเจอกันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมใหม่นะฮะเราก็จะมาคุยกันปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างได้มาพบกันได้มาเจอกันนะครับเราก็ได้มารับเอาสิ่งที่เป็นอาหารในจิตวิญญาณไปทั้งทั้งในตอนนี้น ะ, ะที่ที่เป็นถ่ายทอดสด แล้วก็ในแต่และศูนย์เราก็ยัง ม, มีมีอาจารย์มีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจจะมีกิจกรรมเสริมไปนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปนะอาจจะมีกิจกรรมกิจกรรมเสริมหรือหลังละมาสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะมีกิจกรรมอะไรเสริมก็แล้วแต่แล้วแต่ศูนย์คิดขึ้นมานะครับแล้วเป็นโครงการขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับว่าว่าเราอยากจะปลุกแลก็ปลุกพลังของศูนย์ที่มีอยู่คนที่คิด คนที่คิดมีไอเดียทํางานที่อิสลามในเชิงรุกนะครับจับมือกันเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจอิสลามเราให้กับพี่น้องต่างประเทศเรานะครับแล้วก็สําคัญก่อนตัวเรานะครับตัวเราเมื่อเราบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะทํายังไงที่จะทําให้เราเป็นมุสลิมที่มีความเข้มแข็งเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนั้นมันเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์พี่น้องครับท้ารัสูลอัลสุลต์าะลละซัมกล่าวว่าก็ฎาก็าะมันอีมาน คนเหล่านี้นะเขาจะได้ริมรสชาติความหอมหวานของอิบานกับคนอย่างไรนะครับคือหนึ่งครับคนที่รีบอเขาลาา้อสุหาดัวตาาน้นว่าเขาลา้อสมเด็จพระเจ้ายอมรับพระ อ, องค์ยินดีว่าเขาลอสมเด็พระเจ้าสางวิลิสลาไมด่ดีนิดีนันยอมรับว่าอิสลามจะเป็นวิถีชีวิตของเขานำอิสลามมาเป็นแบบในการดาเนินชีวิตของเขา พอบิบุห์มามันยันสัมหลัวอัลลอฮ์สัมรอสูลันเขายอรับวัฒนารีบุหามัดสัมหลัวอัลลอฮ์สัมเป็นรอสูลนั้นเมื่อเขาได้รู้มีความลึกซึ้งมีการตกฝึกเขาถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงของคำว่ารู้จักตองร้อรู้จักอิสลามรู้จักนาบีเราอย่างแท้จริงแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราครับความสุขความสาเร็จย่อมเกิดขึ้นเป็นคนที่น่าอิจฉาเพราะทั้งโซวัลโซวัลซ้ำได้สงการไว้อาจารยันหรืออัมรินบุหมินคนศรัทธาเนี่ย คนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าคนศรัทธาในอิสลามท่าเป็นคนแปลกนะแปลกยังไงล่ะ hu, hu, อินน่อัมรังูกุลละูเข้ายุรุล่ะเพราะเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในชีวิตของเขาเน้นรู้แล้วแต่เป็นความดีรู้แล้ว เ, เป็นประโยชน์สําหรับเขาครับวอลเลซซาลาฮิกลาอิบุบิลมะห์แต่สิ่งนี้จะได้เกิดขึ้นกับทุกคนนอกจากคนที่เป็นมุสมินคําว่ามุสมินคือผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงศรัทธาอย่างแท้จริงเท่านั้นครับ และสภกหน้าติก็ิดกับเขาอินัสาบัตหซรอชาอกรอินัสอาบัตหซารอชาอวกก้าเรา่ยลุแล้วยานทีเน่เข้าประสบกับเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่มีได้รับริสกีได้รับความรู้ได้ลูกนะครับเงินเดือนออกนะครับได้กำไรเขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณลลอฮ์ก้าดาคลุแล้ว มันก็เป็นความดีกับเขาเพาะอัลลสุบฮานุดาระทรงจัดว่าในอินชากัลตุลุมและอาซีเดนนะกุม um um. ถ้าหากพระเจ้าขอบคุณอัลลอฮเนี่ยอัลลอฮก็จะเพิ่มให้ทุกครั้งที่เราขอบคุณเาอัลวาด้วย ก, การสิยู์ทุกครั้งที่เราขอบคุณเอัลวาด้วยการละหมาดทุกครั้งที่เราขอบคุณเราอัลวาด้วยการบวช แล้วก็ทางจิตวิญญาณมันการถึงเส้นอดทุกครั้งที่เราทำสตระก็ทุกครั้งที่เราทําความดีท่ากับราขอบคุณอวโลก็จะเพิ่มให้สังเกตเห็นไหมครับว่าคนที่อ่านพระอ่านเนี่ยคนแก่แล้วสายตาก็ายังดีอยู่เลยเพราะอวลกลารักษาเขาอวโลกขอบคุณเขาอวโลกความดีกับของเขาคนที่กินหยาดในเรื่องของหลักการเราจะพบว่าเขาเปความสุขในชีวิตของเขานะเนี่ยเาเปความพอเพียงเขาเปความสุขมีริสกีมีความเพิ่มทูนผมได้รับ เรื่องเล่ามาจากเรื่องจริงนะครับที่ท่านอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าคุณปู่ของท่านเนี่ยท่านวรอร์อตนะครับวอร์รอมากคับเาะร์็อคือเคร่งคัดมากๆเลยนะครับท่านขายทําธุรกิจได้เนี่ยเงินที่ได้นะฮะท่านไปไปฝากธนาคารเพราะท่านกลัวว่ามันจะปนกับธนาคารมันไม่ร้อเปอ์ความที่เคร่งคัดของท่านาท่านกลัวนะฮะเอาเก็บเอาไว้เก็บเไว้จนกระทั่งว่ามันไม่มีที่เก็บก็ต้องเอาเงินนั้นนะครับไปซื้อที่ กับไปซื้อที่ทําที่ต่างๆจะทั่งว่าอาจรย์สุารรมรัชการในหลวงรัชการที่5ท่านออกตรากฎหมายมาบอกว่าให้คนสองคนต่อไปนี้นั้นห้ามซื้อที่ต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวจะหมดนะฮะนั่นเป็นที่มาที่ตำรวจเล่าให้ฟังว่านั้นสิ่งนี้พอซื้อที่แล้วต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานก็มีมีทรัพย์นะครับที่จะทํางานส่วนตัวและทํางานศาสนาได้อย่างเต็มที่นั่นคือบรากัรนะครับที่ทําความดีแล้วเราขอบคุณเอากล้อมเราเข่งขันในเรื่องของศาสนาและว่าให้ เอาล่ะต่อดยดให้เหมือนที่อาจารย์กุศลปาก่าวเล่าให้ฟังแท็กซี่พยายามามีนั่ระหมาดอยู่ตลอดเวลาัขาทำแท็กซี่เขาก็จะพบว่ามันมีความง่ายหรือความสะดวกในการหาลูกค้านะครับนั้นทุกชีวิตของเราครับนั้นกรณีนี้ไม่เฉพาะกับแท็กซี่คนนั้นหรือไม่เฉพาะกับทั่วของของท่านอ า, อาจารย์มา น, นั้นไม่ใช่นะครับ ผมพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราได้รับความดีเราเราขอบคุณอัลลอฮ์มีความเข้มแข็งในศาสนาอิสลามว่าครับอัลล์จะให้ความง่ายความสะดวกกับเรา อ, อางอักุรอานอยะหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะลืมเลยนะครับอัไม่จะตัดเป็นลฮะยะยะอัลุะฮยัอยรุุมินฮซุลัยยกสผู้ใดก็ตามที่ในการตกวากับอัลลอ์อย่างแท้จริงอัลล์สุบฮานุตาจะให้เขามีทางรอดมีทางออกใ น, ในปัญหา ที่รุมเร้าเข้ามาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นปัญหาบ้านปัญหาครอบครัวปัญหาที่ทํางานทุกปัญหาขออย่างเดียวขอให้เราเปความเข้็งคัดเอาล้อใช้เนี่ยรเราทําอัล้อห้ามเนีย่ยเราเออกห่างเชี่ยวลดเราจะพบวันพอเรื่องของเราจริงๆแล้วเนะี่พอมีปัญหาแล้วเราจะได้รับการแก้ไขไม่พอนะครับว่าโยรุลูกผู้เป็นไฮสุระญาติศิษพระองค์จะให้ริสกีปัจจัยยันชีพให้กับเราเพิ่มขึ้นมีริสกีมีเงินใช้นะครับไม่ต้องกลัวหดในมุสลิมไม่ต้องหด นะครับนั้นผมจําได้ดาลกรีพูท้ทห่ผมฟังนะครับว่าว่าการที่เราจะให้กับพี่น้องมุสลิมเราหรือให้กับพี่น้องกับพี่น้องอที่เป็นมอสลับเราสิ่งแรกที่ก่อนที่เราจะให้ผลประโยชน์อื่นนั่จะเป็นเรื่องของอัลกตเรื่องของอาชีพอะไรก็ตามขอให้เรื่องอีหมาดก่อนให้พี่น้องเราได้มีอีหมาที่เข้มแข็งก่อน พอคนเรามีอีมานมีตักัวมีความยำเกรงเนี่ยแท้จริงแล้วเราจะได้รับตัวช่วยอลัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราครับสิ่งที่เราคิดว่ามันยากมันจะง่ายนะครับทุกอย่างเลยจะง่ายทุกอย่างเลยนั่นคือคนที่หนึ่งที่นบีบอกว่าได้คนที่คนที่นบีบอกว่ามันเป็นคนมหัศจรรย์นะี่หนึ่งคนได้รับความดีแล้วเขาต่อยอดความดีด้วยการขอบคุณอลัลลอฮ์ซอินซอฟัตู ร้องสอบารองแก้ยเอาชนะหนุนแล้ว ย, ยา่เทประสบกับเรื่องลำบากภัยบาลาการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียนะครับทุกอย่างเลยที่เป็นภัยบาลาเป็นครอบกรรมเขาทำยังไงฮะสบรองเขาอดทน อดทนซะว่าอดทนว่าเป็นเรื่องของ Allah, เขาเขายินดีในสิ่งที่มนุษย์สัมภานอุตนาสมกตดให้เกิดขึ้นกับเขาเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาแล้วเรื่องที่เลาให้ให้เกิดขึ้นกับเขารู้อย่างเดียวครับรู้ว่าทุกสิ่งที่เราให้เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นความมีให้กับเราทําให้สบาย นะคถ้าคนไม่ส บ, บายไปหาหมอหมดเนื้อหมดเงินหมดทองไปกับการรักษาเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ถ้าหาว่าไม่คิดในเรื่องนี้ไม่มีความซอฟต์บัตไม่มีความอดทนเขาไม่ได้อะไรเลยได้เจ็บนะครับเสียตังค์เจ็บแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ได้อะไรเลยแต่ต่างกันครับคนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วเสียตังค์เช่นเดียวกันเจ็บเช่นเดียวกั น, น, กนแต่เขาคิดว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเราล้วน้ๆเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยๆได้รับผลบุญสองอิเชาว์ว่าเมื่อหาย เอาว่าให้ใหายเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องเดียวว่จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราต่างกันเลยใช่ไหมฮะคนคนแรกกับคนที่2นั้นคนที่เข้าถึงอิสลามอย่างแท้จริงเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่2ครับมีความยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์นะครับแต่เขาสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตของเขาได้นั่นคือที่คนที่ในบบบอกว่าอาญะบันเป็นคนมหัศจรรย์เป็นคนแปลกคือคนที่มีศรัทธามี إيمان อ, อย่างอย่างแท้จริง แต่บางเล็บครับแต่ดีกับอะล า, าศาสาฮิกะอินหลเนี่ยมินมุสลิมทุกคนเนี่ยคนที่ศรัทธาทุกคนจะไม่มีความจะไม่ได้รับสิ่งนี้นะแต่จะได้รับสิ่งนี้เฉพาะคนที่อัปเกรดจากการเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุข ม, ม, มินขึ้น ม, า ม, มามุขมินต่างกันนะฮะมุสลิมคือกว้างเหมือนกับจังหวัดเสรลจังหวัดแต่พอเข้ามาอำเภอมัอนจะแค่นั้นถ้าคนที่เป็นมุสลิมแลยยยะยกระดับเขาขึ้นมาเขาก็จะเป็นมุขมินคือเป็นผู้ที่ศรัทธา แตครับผู้ศรัทธาเขาจะได้รับความดีเหมือนที่ผมกล่าวไว้นะครับว่ามันสุดยอดของความเป็นมุสลิมเลยนะครับเราก็การให้ให้มุสลิมเราเขจะเป็นมุสลิมใจเดิมหรือพี่น้องมุสลิมต่างศาสนใหม่นะฮะให้เขาเ้ามีความรู้สึกนี้หรือพี่น้องต่างศาสนกเขาก็อยากจะให้เขาเ้ามีความเข้าใจในประเด็นที่มุสลิมมีอยู่แบบนี้นะครับที่เราอยากจะ เราอยากจะแนะนําเรื่องของอิสลามให้ได้รู้อิสลามกเพราะว่าเราเป็นความคระหายเป็นความต้องการว่าให้พี่น้องเราได้รับสิ่งดีๆในเมื่อเราได้รับความดีอยู่แล้วนะครับเราสุขใจอยู่แล้วได้รับความดีอยู่แล้วเราก็อยากจะนําสิ่งดีๆนี้นะครับต่อยอดนะครับบอกกล่าวกับคนอื่นนะครับใช้ใช้ดีแล้วเราก็บอกต่อ น, นะครับนั่นคือเป้าหมายที่สําคัญของความเป็นมุสลิมของเรานะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของโครงการดีๆแบบนี้นะครับนั้นโครงการศูนย์เรียนรู้อิสลามเรานะครับตอนนี้เปิดอัลฮัมเบลิละครับ วันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ไม่พร้อมร0อยเร์แต่ด้วยความตั้งใจจริงอยากจะเริ่มนัดหนึ่งกันในเดือนกรกฎาคมเดือนที่เป็นมงคลในเดือนนี้นะครับเราก็เริ่มนับเลยนะครับว่าเอาเดือนนี้แหละนะครับประมาณ8ปดถึงเกในะตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีที่เชียงใหม่นะับที่สตูลในนะตอนนี้นะครับที่ที่ลายดูเราอยู่ในะตอนนี้อยู่กับเรานะครับที่สตูลที่พังงา น, นะครับเราก็ ที่อุดรธานีนะครับแล้วที่หนองคายโดยเฉพาะที่หนองคายนะครับเป็นศูนย์ที่ไม่เฉพาะคนไทยนะครับพี่น้องมุสลิมลาวเรานะครับซึ่งอยู่เขตเขตใกล้ใกล้เคียงกันมีมีพี่น้องที่รักอิสลามหลายคนเลยที่ผ่านมาแล้ว30กว่าคนเลยนะครับ้อพที่จะมาศูนย์ที่มามาเรียนรู้ศูนย์ที่ศูนย์อยู่ที่ที่หนองคายก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะจะจะจะไปพร้อมๆกันนะครับเดินไปพร้อมๆกันโดยที่ มีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นความดีนะครับที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือเข้ากานันครับความร่วมมือจุดแข็งของสมาคมเรานะครับสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและการพัฒนานะครับโดยร่วมกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนดแล้วก็ร่วมกับโรงเรียนหรือมัสยิดหรือกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจัดศูนย์การเรียนรู้อิสลามขึ้นมานั่นเราจะพบว่า น, นะครับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้นะเราดึงศักยภาพดึงจุดแข็งของแต่และองคอ์กรมาร่วมกัน ที่ก่าดว่าที่อาจารย์บรรดาก่าดว่าเนีครับว่าตอนนี้เราทำงานรุ่นเราต้องไม่แข่งกันนะครับแต่เราจะแบ่งกัน แบ่งกันแชร์กันทุกสิ่งที่เป็นความดีนะครับข้อมูลหรือความดีหรือโอกาสเราก็จะแชร์กันดังนั้นท่านถิกล่าว่วายินดีครับทุกองค์เลยที่อยากจะจับมือกันทํางานแบบนี้นะฮะแนะนําอิสลามให้กับพี่น้องเราแนะนําอิสลามให้กับพี่น้องต่างศาสนิาเราหรือให้ความเข้มข้นนะครับทำอย่างไรให้มุสลิมเราทําอย่างไรให้พี่น้องเราเข้าถึงจิตวิญญาณบอกว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงของอิสลามแก่นจริงๆของอิสลามเป็นอย่างไร นะครับั้นถ้าเราถึงแก่นเราถึงจิตวิญญาเราจะพบมันมีความสุข แต่วันนี้ที่เราลำบากกันที่เราไปไม่ถึงไหนกันก็เพราะว่าเราเพียงแค่อยู่แค่เปลือกของที่สามเ่นั้นเองนะนะยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงแขนจ้ําไปนั่นทำยังไงถึงเนื้อถึงแก่นเพื่อเราจะได้รับความดีทุกองค์กรเลยถ้าอยากจะทํากันแบบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ขอดับรองกับพระองค์สมภารุตระกับในเดือนี้ให้ให้สิ่งที่เราทํากันได้ขยายผลต่อไปนะครับว่าพร้อมนะครับศูนยในตัวนี้เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าภายใน5ปีเราจะจะเปิดให้ได้50ปีขอรัองกับพระองค์ครับพระรับปีละสิบองค์รนาวขอ สิ่งที่เราฝันไม่เป็นจริงมาว่าเราจะอยากจะเปิดเป็นเซว่นปีนี้นะฮะ100ให้ได้ปีต่อไปปีหน้า200 300 400ขยายขยายออกไปกับให้ไปที่ไหนก็เจอศูนย์แบบนี้นะฮะให้บุตริมเราอย่างน้อยมาเรียนอย่างน้อย1เดือนนะครับมาพบปักกันมาเจอกันสอบถามทุกสูนยได้รับอาหารทางจิตวิญญาณได้รับอาหารทางทางทา ง, ทางร่างกายไปและมีอะไรก็แบ่งปันกันมาเจอกันแบบนี้ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ ที่ที่สุดยอดนะครับที่ดีงามนะครับนั่นคือสิ่งที่สูงนะครับสุดท้ายขออีกสันาทีเรื่องของเรื่องของรอมฎอนยังไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าได้มีกล่าวว่าปัญญอภุมชัยรุนชัยรุนชัยรุ่น ร, ร, ร, รอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นไมเนน่เดือนท่านเดือนนี้เป็นยังไงครับชัยรุนมมบายเราคนเป็นเดือนที่บรากาิกรรมเดือนที่มีผู้สนิทมงคลมีความมีงาม นะเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่สังเกตให้ง่ายเลยบาริการที่ไม่บริการปกติสำหรับเราเนเวลาคาข้าวมื้อเย็นนะครับมีกับข้าวแค่สองอย่างใช่ไหมครับแต่เดือนพระองตอนนะครับสำหรับกับข้าวเต็มไปด้วยกับข้าวใช่ไ้มครับจนกระทั่เราทานกันไม่ไหวนั่นคือบริการนะครับมงคลนะครับสิ่งมงคลที่เกิดขึ้น นะครับนอกจากนี้แล้วองคลคนในเรื่องการทำความดีนะครับความดีถ้าเป็นของสุนัขอัลลอฮ์อัพเกรดให้เป็นของฟารูดของฟารูมันอัดดักกริดลตันกอันาหูกัอันกัอันนาหูอัดดาการเลับรรนะรนครเเขาจะได้ความเพิ่มอีกเจเท่านะครับนั่นในเดือนนี้นั้นอิบตารัละลอฟีอัสยามอัลลอฮ์กำหนดให้เดือนนี้นันมีการถึงศีลหดพอมีการถือศีลดก็อัพเกรดกัน เดือนจัดเดือนธรรมดาเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับเดือนนี้นะั้นฟูจิทัศน์คบว่าบุญชนันแนศวร์ถูกเปิดวุ ล, ลักอ็อว่าบุญนิรนันดรประตูนรกถูกปิดซุปฟีดัชชียรตินไทร์ตอนนั้นถูกปล้ำโซฟีฮีไหลและตน้นไครรตินอันฟิชเช์ในเดือนนี้มีคืนค่ำคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐกว่าค่าคืนอื่นถึง83ปีกับ3เดือนก็คือ 1,000 เดือนทําความดีแล้วได้หมู่ตัวอัพนะครับได้เพิ่มขึ้นผลบุญเพิ่มขึ้น ปาบมันโผล่รึบา้างใครก็หารามันผลรึบา้างใครก็ตามที่ถูกปิดกั้นในเรื่องนี้เดินบวดแล้วไม่ได้บวชเดินบวชแล้วไม่ได้อ่านพระอ่านเดินบวดแล้วไม่ได้อัปเกรดการถือบวชของเขาเขาก็ถูกลบล้างความดีงามของเขาเขาถูกปิดกั้นความดีนั้นแผลที่เป็นร่มเอนนําความดีต่างๆมามาก ม, มายเลยอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราจะรับความดีได้ไหม เดือนนี้เหมือนฝนที่ตกลงมานะครับอยู่ที่เราว่าเราต้อจะเอาภาชนะอะไรไปรองนะครับเอาเจะเอาเป็นจานเป็นถ้วยเป็นโถเ ร, รื่องจะเอาเป็นตุ่มไปรองรับความดีในเดือนนี้นะครับนั้นเดือนนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับลักษณะพิเศษของเดือนนี้เนี่ยเอาอว่าบอกว่าบอกว่าไงครับกุลูอมฤตเนีอาดัมล้ฮูมุกต้องอากรรมกรอำนาจสิ่งที่เป็นความดีที่มนุษย์ทำโดยทั่วไปแล้วนั้นเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นอินลัสย่างนอกจากการเกิดซึ่งอด ฟอินนังมูรีอัวอันอาเดียซีเพราะการถือเสถียรเป็นของเราแล้วเราจะตอบแทนอันนี้เป็นบอกว่าเป็นลักษณะพิเศษของการถือเสถดยรครับที่พิเศษตัวการละหมาดพิเศษตัวการทำท่านพิเศษกกว่าการทำสลักเพราะอะไรฮะเขาก็บอกว่าฟอินนังมูรีเพราะการถือเสถียรเป็นของเราข้างที่จริงแล้วเป็นเราเถือสถดยใช่ไหมครับที่เราบดแต่ด้วยกับการที่เราสลักครับการที่เราสลักของฮาราน เราไม่ไปกินเราไม่ไปทานของฮาราในตอนนี้ในตอนนี้ทั้งที่เราสามารถที่จะกินได้แต่เรารัเรัาเราไม่ทานนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรดีอันจะดีเพื่ออวโลกเพราะอวโลกทรงใช้เราจึงอดในวันนี้ทั้งที่เราสามารถที่จะทําได้อันนี้มันเป็นสุดยอดเลยนะครับทั้งที่เรามีความสามารถจะทําได้แต่เราละไม่ทําเพราะอวโลกใช้เราอันนี้มันเป็นสุดยอดเลย พวกมึงบอกว่าอิานโนโวลีว่าอัอาจจะดีการเฉลิมฉจึงเป็นของเราเราจะตอบแทนพี่น้องครับในเมื่อว่ารอดสุดพานโดยจะทรงรับทรงเปลี่ยนการเจลิมของเราอัปเดตการเฉลิมของเราใ เ, เป็นของพวกมึงนั้นอย่าให้การเฉลิมฉลองเรานั้นอายนะครัเป็นสิ่งที่ต่างพร้อยเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรครับทํำยัง ไ, ไงนะะโดยการที่เราถึงบวชแล้วเราปวดแค่บวชแค่กายบวชแค่ไม่กินไม่ดื่มแต่ไม่บวช ไ ม, ไม่บวดปากไม่ปวดปากไม่ปวดหูไม่ปวดตาไม่ปวดใจแบบนี้มันไ่าคุณค่านิดเดียวเองไปแล้วครับผมกําลังจะบอกว่าที่ บ, บอกกับเราไว้นะครับแบบรูปปลาซออิเมนไรซ์ลูกนยาซาอิานเลนจวักอันชันมีคนถึงบวตอีกหลายคนเลยนะที่การถือบวชของเขาไม่ได้รับคุณค่าได้เพียงความผิวความกระหายแค่นั้นเองไม่ได้รับคุณค่าใดทั้งสิ้นนั้นเราอยากให้เป็นเหมือนเหมือนดังกล่าวนะครับ ว่าบวชแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วให้เราได้รับคุณค่าด้วยนะการถือบวชนะครับผมก็เลยบอกนะั่นสั้นง่ายทีเดียวครับ1บวชกายเราคือไม่ทําของที่ทำให้เสียสินอดไม่กินไม่ดื่มครับ2อัปเกรดขึ้นมาครับบวชบาบผมกำลังบวชบาบง่ายทีเดียวครับรร บ, บวชบาบบ า, า บ, บ, บ, าบาปในเดือนอื่นๆาะราบอยู่แล้วแต่การทําบาปในเดือนรับบัตรมันยิ่งเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราทําบาบในเดือนรับบัตรจะเป็นตัวตักแคแนนของการเดือดรของเรา นั้นบวชบาปด้วยนะครับนั้นบวชบาปด้วยไมโพูในสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดแล้วสุดยอดการพิบวชเลยนะครับบวชใจด้วยนะครับบวชใจบวชใจบวชยังไงครับบวชใจโดยการที่เรานั้นไม่ไปไม่ไปนึกไม่พิจารณาถึงเรื่องที่ออกออกจากเรื่องของสวรรค์นะครับไม่ไปอาฆาตไม่ไปพยาบาทไม่ลุ่งหลงในเรื่องของทรัพย์ของดุลยานี้นั่นคือการบวชใจนะครับมั่นใจครับว่าเมื่อเราได้ถึงบวชของครบบทัั้งรระะดนคบ บวชกาย2บวชบาปแล้วก็3าบวชใจแล้วแน่นอนครับการเฉลิมโศของเราในวันนั้นจะเป็นการเฉลิมโศที่เข้าถึงแก่งเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของการเฉลิมโดเพราะเอาว่ากำหนให้การเฉลิมโศน์นั้นเอาว่าไม่ต้องการให้เราลำบากหรอกครับแต่เอาว่าต้องการให้เราได้ได้รับสักวาครับเราต้องกระุ้นจักรกูนเพื่อการถือบวชนั้นจะให้เกิดการสักกว่าเราทําแบบนี้เราเราบวชบวชบาป เราบวชใจเราทำแบบนี้ 29-30 วันนะครับมันจะทำให้ร่างกายเราเปความเคยชิดพอออกบวชไปแล้วอีก11เดือนที่เราต้องอเผชิญเผชิญกับเชนตอนเผชิญกับฟิตนะต่างๆนานานะครับเราสามารถที่จะต่อสู้ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นคุณค่าของการถือสวเถิดนะครับดั้นเพียงแค่เวลาเพียงแค่ประมาณ 6-7 นาทีหยุดการถึงคุณค่าของการเถส่ยวเถ้ดกบอกว่าไม่บวชไม่ได้นะ ต้องบูดใช่ไหมครับและถ้าบูดแล้วต้องให้มันคู่ควรกับการจะ่เราอัปเกรดการเฉลิมของเราเป็นการเป็นจิบัติเป็นอะไรเป็นของโบนะครับขอร่วมอากับประลองสุภามูลตระกัศว่าให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมีเจตนามีพลังในการเฉลดนะครับพยายามยกระดับการเฉลิมของเราให้เป็นการเฉลิมฉลอที่คู่ควรกับการที่ลัทธิสุภานมูลตรทรงรับแล้วขอให้การดําเนินกิจกรรมของศูนย์เราของสมาคมเรานะครับ เป็นไปด้วยกับบาราก้ามงคลทุกสิ่งทุกอย่างใน เ, เด่นนี้อากูรุเอร์นิฮาวะเัอสโรวาฮารีวะดังุมวานิสไชริมุชิเมเดมินตุนิรรมทัสังตุอินังหะวะโครราหิม